อาจารย์ครับก า, ารอภิษฎการครับผมอาจรย์พ่อคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์วันนี้ตั้งหัวข้อตามหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์ที่ที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักพอาจารย์ครั้งแรกก็จากหนังสือเล่มนี้ครับผมแล้วก็ผมได้บอกเพื่อนๆว่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยนิยามคำว่าเศรษฐีเปลี่ยนไปหมดเลยนะคผมแล้วก็ ตอนนี้ผมเริ่มรวยขึ้นเรื่อยๆแต่แต่ก็ยังไม่ถึงเป็นมหาเศรษฐีนะครับอาจารย์วันนี้ก็เลยขอกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความครับว่ามหาเศรษฐีที่แท้จริงคืออะไรครับแล้วเราจะไปสู่หนทางนี้ได้อย่างไรครับอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับมหาเศรษฐีที่แท้จริงก็คือคนที่มีความพอมีความมีความพอหมายถึงถ้าสามารถยืนยันซื้อทุกสิ่งทุกอย่างไม่พอได้ แต่มันทางโลกมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมีเงินมากว่าเท่าไรชื่ออะไรมามากว่าเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอกลับไปสร้างความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเศรษฐีทางโลกนี้ไม่ถือว่าเป็นเศรษฐีที่แท้จริงเศรษฐีที่แท้จริงต้อเป็นเศรษฐีที่อิ่มที่พอไม่ต้องการอะไรแล้วนอ่นแะ ก็คือพระอาหารตทั้งหลายเอาวัฏชาทั้งหลายจิตของท่านเป็นจิตที่เต็มร้อยับสมบวรณเป็มร้อยในเรื่องของความสุขังนั้นเราไม่มีความต้องการอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรจะมาเพิ่มความสุขให้กับใจของท่านที่มีอยู่แล้วนั่นเอในการที่จะทําทให้จากท่านนั้นมีความสุขเป็นๆก็ต้องเกิดจากการกำจัดความอยากต่างๆ ท, ที่มีในใจให้หมดไป การม า, ารตนาภาวะตานาหน้าวิคาวตนาด้วยการเจริญมากแปดถนะ้ามีมากแปดเต็มร้อยก็จะสามารถละตันหาทั้งสามนี้ได้พอตานหาทั้งสามละหมดได้ทุกที่เกิดทุกที่เกิดจากความหิวความอยากก็หมดไปสุขที่เกิดจากความอิ่มความพอแล้วความหดตามมานี่แหละคือเป้าหมายที่แท้จริงของของทุกคน ว่าทุกคนต้งการความสุขกันแต่ความสุขนั้นที่จะทําให้อีกไม่บ่อันี้อยู่ที่การกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้ายัางไปเสริมความอยากถ้าหาความสุขด้วยการทําตามความนีายมันจะไปเพิ่มความอยากขึ้นไปเรื่อยๆในในศกน้อยบาทก็อยากจะเพิ่มเป็นสศกพันบาทไดในศกพันบาทก็อยากเพิ่มเป็นสุขเป็นหมื่นบาท ไม่มีวันพอไม่ม น, นี้ถ้าทำหาความสุขตามความตามความอยาหามาตั้ง แ, แต่เกิดจนถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่หยุดนะครับถ้าหาความสุขตามแบบที่พระเจ้าทรงสอนได้คือละความอยากด้วยการปฏิบัติมั่งแปดสิ่งสมาธิปัญญาก็จะสามารถลบความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ พอหมดความอยากความอิ่มความพอมันก็ปรากฏขึ้นมาความอยากกับความอิ่มมันอยู่กันคนละฟากเวลาความหิวกับความอิ่มความอยากก็คือความหิวความอิ่มก็คือความพอฉะนั้เราไม่ต้องไปหาอะไรตามความอยากให้เหนื่อหยุดความอยากเป็นอย่างเดียวกําจัดความอยากให้หมดไปนี่พอไม่มีความอยากแั้วก็ไม่มีอะไรสร้างความหิว สรความทุกข์ให้กับใจใจก็อิ่ใจก็สุขตลอดเวลาให้ศึกษายศาสตร์สีให้เข้าใจแต่ความหิวความอยากความหิวก็จะกความความทุกข์ความไม่อิ่มไม่พอความไม่สุขก็เกิดจากความอยากต่างๆนี่แต่ถ้าเราหยุความอยากได้เราก็จะทําให้เกิดความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมาแต่คน ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินี้จะเข้าใจผิดเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะทําให้ใจเราหายอยากก็ต้องไปทําตามสิ่งที่เราอยากใช่ไหมอยากไปเที่ยวก็ต้องไปเทียเท่ยวกันพอไปเที่ยวมันก็หายอยากชัวก่วคำแล้ว ม, มันมีอยากอ ย, ากอย่าง อ, างอื่นอยากจะกลับบ้านนะไปเที่ยวแล้วพอเงนินหมดก็อยากจะกลับบ้านเรื่เหนื่อยแล้ว เ, เหนื่อยเนยเมื่อยแล้วแล้วก็อยากจะกลับบ้านมันก็มีความอยากอย่างหม่ปรากฏตามขึม้นมา พอกลับบ้านแั๊บพอหายเหนื่อยแล้วก็อยากไปเหมือนตะคุกเงาต้องหาความพอตามความอยากนี่หาไปจนมันมาตายก็ไม่เจอเพราะมันจะมีความอยากมาแทนที่อยู่เรื่อยๆอยากได้สิ่งนี้แล้วพอได้แล้วก็อยากจะได้สิ่งหนึ่งต่อพอได้สิ่งหนึ่งต่อก็อยากจะได้สิ่งหนึ่งต่อแล้วเดี๋ยว ก, กลับมาอยากได้สิ่งเก่าอีกสิ่งนี้ก็อยากได้มาอีกมันวนไปอย่างเนี้ยไม่มีวันสิ้นสุด อยากไหยุดความอยากเวลาอยากเราฝืนมันด้วยสติได้สมาธิได้ปัญญาได้เราไปความอยากมันก็หมดกำลังครับมันก็ไม่มันไม่ก็ไม่แสดงความอยากเพราะเวลาไดที่จิตมันไม่มีความอยากแล้วนะ้จิตก็อิ่มจิตก็พอจิตก็สบายอย่างตอนนี้คุณหมอไม่อยากไปไหนแล้วเรานี้อยู่บ้านสบายใช่ครับเดี๋ยวได้เกิดความอยากไปได้อยู่บ้านไม่ได้นะครับ <c oughs> เวลานักคหน่าอยากจะไปจากบ้านแล้วเราฝืนอะไรเราข้ามมันในการนั่งสมาธิราะว่าถ้าไปแล้วต้อกลับมาไปทำไมไม่ไปดีกว่ามันก็มันเดินเดินไปในวงกลมเนี่ไปแล้วกลับมาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไปถึงไหน้ไปแล้วต้องไม่กลับเนี่ยมันจะได้ไปมันจะได้ระยะทางที่ไปแล้วกลับมาก็ก็เหมือนก็ไม่ได้ไปพอกลับมาแล้วก็เหมือนก็ไม่ได้ไปก็อยากไปให้มันเหนื่อยเป็นทำไมออกไปมันเหนื่อยแล้วกลับมาที่เดิม เราลองทำดูเลย เ, เราไม่ได้ไปจากว่านยานนี้มาไม่รู้กี่ปีครับไปก็เพราะจำเป็นต้องไปนไปให้เหนื่อยไมไปแล้วต้องกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมสิ่งที่ได้ก็คือความเหนื่อยแต่ปัญหาคือมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปก่อนถึงจะกลับมาอยู่ได้ ถ้าเวลาอยู่แล้วยเกิดความอยากออกนี่มันทนไม่ได้อยู่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีมารแปะไม่มีสีลสมาธิปัญญามายุดความอยากมันจะทรมานแต่ถ้าเราปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาได้เวลาเกิดความอยากเราก็เจริญสมาธิเจริญปัญญาถ้านั้นะความอยากก็หยุดไปพอความอยากหยุดไปความอยากความไม่อยากความไม่อยากไปไหนไม่มันก็อยู่เฉยได้ เมื่อไม่มีความอยากมันก็อยู่เฉยๆได้ไม่รู้สึกทาราวรนใจแต่อย่างไรฉะนั้น้นองมาแ ก, แก้แก้ที่ความอยากคือหยุดความอยากอย่าทําตามความอยากวิธีทําทําตามความอยากไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหามันแก้แบบเฉพาะหน้านชั่วคราวอยากดึงอยากสูบบุหรี่อ้าวพอสูบพอสูบแล้วความอยากจะสูบบุหรี่ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวชั้นพักแหความอยากสูบรี่แล้วกลับ แต่ถ้ามันอยากสูบเลยไม่ไม่ฝืน ม, มันได้สูบมันเดี๋ยวคราวห้าความอยากสูบริยถึงแม้มันจะกลับมามันจะอ่อนกําลังหนงะเพราะเราฝืนมันแล้วถ้าเรารู้ว่าเราฝืนมันได้ครัง้งแราครั้งต่อไปก็ไล่ขึ้นแล้วต่อไปไม่นานสี่ห้าครั้งมันก็ไม่กลับมาแล้วเพราะกลับมาทีไรก็ไม่ได้ไม่ได้ดับใจอ่ะก็ไม่รู้จะกลับมาทั้งหมดต่อไปความอยากอาหานขึ้น อาจารย์ครับการฝืนนี่ก็คือฝือนด้วยสติกับปัญญาใช่ไหมครับข้อ น, นี้ก็ฝืนด้วยอเบกขามันก็ฝืนด้วยอุเากขาไปฝืนด้วยอเบกขาแต่อุเบกขานี่มันมันมันมันมันอ่อนกำลังได้ขณะถ้าใดที่อุเบกขาอ่านกำลังความอยากมันก็สามารถที่จะมาะ ล, ลุกขวัญใจเราได้รเราก็ต้องเติมอุเบกขาด้วยการยานสตินั่งสมาธิต่อ การนี้เป็นวิธีแบบทําแบบชั่วคราวไม่ไม่มีวันสิ้นสุดวิธีจะให้มันสิ้นสุดนี่คือต้องใช้ปัญญาหลังจากที่เรามีหมดเบี้ขายืนเป็นได้ด้วยเบี้ยขาแนละ้ต่อไปเวลามันกลับมาใหม่ทีนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นโชคมันไม่ได้นึงจบอย่างที่เราคิดมันมันจบตอนตอนต้นที่เราได้มาะ แต่พออยู่ๆไปสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยมทุกอย่างของมไม่เที่ยมเวลาซื้อรถยนต์มาใหม่ๆนี่โอ้โหมันขับสบายทุกอย่างใช้ได้ตลอดเวลาใช้ไปใช้ไปะยะ่างเดี๋ยวก็เริ่มมีปัญหาเสียวอันนั้นไม่ทํางานเดี๋ยวนี้ไม่ทํางานแล้วก็มันเสื่อมสภาพของทุกอย่างมันต้องเสื่อมสภาพ ม, มันก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ครับ ตามหน้าที่ของมันงันก็เลยพอมันเสื่อมมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ทุกเกิดมาต้องเอาลดเข้าศูนย์นะแทนที่จะเอารถไปไหนมาไหนก็ต้องไปแช่อยู่ในศูนย์ต้องรออันนี้ก็เพราะว่ามันทุกอย่างมันมันเสื่อมลมันเปลี่ยนมันไม่ได้สุขตลอดเลยละมันสุกต้นแต่มันก็ค่อยเสื่อมลงไปคุณภาพความสุขของมันจะลดน้อยลงไป บางทีก็ลดชา้าบางทีก็ลถแล้วแต่มันลดแน่ๆบางทีมันหายไปก็ซื้อรถมาใหม่ๆก็าว้รกไม่กี่วันทุกคนมาโวยแต่ดัง น, นั้นสุขที่ได้จากการซื้อรถใหม่กลายเป็นอะไรการมีควับทุกขึ้นมาอันนี้แหะต้องพิจารณาว่าทุก อ, อย่างมันต้องเสือ่อมถ้าเห็นว่าเป็นเสือ่อมความอยากที่ได้ก็มันก็จะหายไปเพราะเวลาอยากมันคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุข แต่ไม่คิดว่ามันจะสุดได้นาได้เท่าไหร่กลายเป็นว่าคนที่มีเงินทองมากมอกีอุปกรณ์อ่าจนวยความสะดวกมากๆกับเป็นเศรษฐีถูกมากถุกมากกว่าก็ต้องซื้อมาซื้อมาหลังนี้ก็ต้องซ่อมแล้วต้องดูแลรักษาครับผมพระมีแค่อัฐบริฐานแปดก็ เ, เป็นเศรษฐีเลยใช่ไหมครับอาจารย์เศรษฐีได้แล้วทีนี้จะมีของที่น้อยที่สุด เพราะมีขวามากมันก็ทุกมากมันต้องคอยดอยูแลรักษาต้องคอยซ่อมบำรุงและต้องคอยหามาใหม่เวลาที่มันมันหายไปไปเนี่ยดูพระพุทธเจ้าท่านมีสมบัติแค่แปดชิน้นนะแล้วไม่เคยกลับไปปลักลับไปอยู่ในวงังอีกต่อไปนะไม่มีการห้ามไม่กลับไปนะถ้าท่านอยากจะกลับไปอยู่ในวังเมื่อไหร่ไม่แต่ คนดีใจนั้นต้อนรับเต็มที่แต่ถ้าไม่ไปหรอกเพราะาไม่เหลน่ามันเป็นสุขนะถ้าไปเพิ่งสิ่งเหล่านั้นมันที่จะทําให้ทุกข์ใหญ่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่แน่นอนมันไม่เพียงแท้แน่นอนครับกล่าวขอบพระคุณบ้าอาจารย์ครับวันนี้เข้าใจเรื่องเศรษฐีแล้วก็ได้แบ่งปันกับเพื่อนๆมากขึ้นแล้วครับอขอโอกาสอ่านคําถามจากเพื่อนๆ น, นะครับจากคุณปียรัตน์ครับ เมื่อพบว่าตนเองมีอัตตามานะสูงธรรมะเรื่องใดช่วยทําให้เบาบางลงได้บ้างคะธรรมะเรื่องสูงสุดก็คือไม่มีอะไรเป็นตัวตวนสัมเวยธรรมานะตาเราค้นหาดูให้ตัวตนอยู่ตรงไหนอยู่ในร่างกายตรงไห น, นอยู่ที่ผมเหรอไม่อยู่ที่กนไม่อยู่ที่เท้าขาเป็นกันวันตายก็ไม่เจอตัวตวนใน ร, าใรนน่างกายเนีมีตัวตนไม่มีมีของของหลอก เราสมมติกันขึ้นมาเองคแล้วก็แล้วก็ไปเชื่อเชื่อเชื่อในสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมาเหมือนคนสมายโบราณเชื่อว่าโลกนี้แบนนะก็เชื่อกันไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลนะกลัวจะตกขอบขอบทะเลคิดว่าอกึ้นทะเลแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนขอบโต๊ะนี่พ อ, อนั่งเรือไปเแต่พอถึงพอถึงขอบโต๊ะมันก็ตกลองอกไปเอาอน่องลวกไป สมัยก่อนไม่ได้ใครกล้าออเรือไปไกลๆอันนี้เพราะความเชื่อเชื่อว่าโลกอบบน่นแรงเหมืนโต๊ะเนี่หมือนโต๊ะอาหารที่เรารับประทานมันมีมันมีขอบมัน ม, มันมีปลายใช่ไหมถ้าพ่นพ่นขอบโต๊ะไปมันก็ตกออกจากโต๊ะไปคนก็ไม่กลุมไม่กล้านั่งเรือไปไกลๆพอะพ้นขอบพอไปถึงขอบโต๊ะมันก็จะตกไปไหนก็ไม่รู้จะไม่ได้กลับบ้านเะนั้นก็เป็นความเชื่อ แล้วก็หลงตามความเชื Twelve, <tail h orden> Twelve, ่ออันนี้ก็เหมือนกันเผลงานเชื่อเรามีตัวตนแต่ไม่เคยไม่เคยศึกษาไม่เคยค้นหาว่าแล้วตัวตัวตนของเรามันอยู่ตรงไหนมะที่ร่างกายส่วนไหนร่างกายีนผมมันเป็นผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเล็บเป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดเล็บไปแล้วเราหายไปกับเล็บหรือเปล่าตัดผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม เราอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่แล้วพอเราหยุดนึกคิดได้ไอันี่มันก็หายไปไอันนี้จะเห็นชัดก็ต่อเมื่อเราเข้าสมาธิจิตดวงเปนะ็นหยุดคิ ด, ห ย, ดหยุดคิดหยุดจําชั่วครู่ตอนนั้นความจําได้ไหมรู้ว่าความคิดก็หยุดไปคามคิดว่าเป็นเราความจําได้ไห ม, ไมรู้ว่ามีเราก็หายไปมันก็เหลือแต่ความว่างแล้วแต่ตัวรู้ตัวเดียวตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าใจแล้วว่าอรา ความอัตตาตัวตนนี้เป็นสิ่งที่เราหลงเชื่อกันมาว่ามีและเราก็เชื่อว่าร่างกายเรานี้เป็นตัวเราเป็นตัวเราตัวตวนเราอยู่ในร่างกายนยันได้ใครใครมาลูกหัวเราหน่อยนี่เราไม่พอใจแล้วเป็นลูกหัวอันนี้ไม่มีเรามันไม่แก้หัวมันแก้หัวซะเลย หัวตัวหัวมันไม่เห็นดือดร้อนเลยหัวไอกายไปรูปมันไม่ไม่ไม่เดือดร้อนตรงไหนแต่ไอ้ไอ้ตัวเราไอ้ตัวที่รู้เนี่ยตัวที่รู้ว่ามีคนรู้หูด้วยกับไม่เดือดร้อนแทนหัวเมันอยู่ที่ว่าใครรู้เลยครับพระอาจารย์วิธีที่จะทําให้บาบางลงก็คือพยายามสมมติตัวเองหมายว่าพระญาติสมมุติให้เราเป็นปฏิพีหรือเป็นแจว ทำตัวน่าเป็นเจ๋วและเป็นคนรับใช้มองทุกคนว่าเขาเป็นเหมืนเจ้านายแล้วเป็นส ม, มุนใหม่แล้วเราก็จะสบายขึ้นเวลาเจอใครใครเขาดา่าเราก็ขับผมขับผมเจ้าข้าทำเป็นนุ่มน้องไม่มีเสียสที่ยาอะไรไมีแต่รับอย่างเดียวเพราะสั่งเราก็ดา่าเราไม้รับรับพ ร, พ ร, พ ร, พร้อมที่จะรับคำสับงแต่คุณมีราศา ค, ครับ ความคิดกับสติเป็นดวงดวงใช่ไหมครับวิ่งเป็นวงกลมขนานกันสติเป็นดวงกันไม่ให้ความดวงความคิดเข้ามาใช่หรือเปล่าครับอมันไม่มีรูปภาพอย่างที่เราคิดกันสติคือการระลึกรู้เวลาใะไรที่เราระลึกรู้เราก็สามารถที่จะย้ำยับความคิดได้เวลาอะไรที่เราไม่มีการระลึกรู้ความคิดมันก็คิดไปเรื่อย เวลาเราฝึกสตินี่เรารีสติมากเท่าไหร่เราก็จะระงับความคิดมีแต่ได้มากขึ้นเท่านั้นจนสามารถหยุดความคิดได้เป็นพักๆไปถ้ารีสติที่ต่อเนื่องคุณพงศักดิ์ครับการบำเพ็ญเพียรทำได้ในชาติมนุษย์นี้พบอื่นสร้างได้ไหมครับขอความเมตต า, า, าครูบาอาจารย์ครับได้บ้างแต่ไม่มากเท่ากับพบของมัน ในพปกเทวดานี้ก็บำเพ็ญความเพี่ยนได้แต่จะต้องมีมีเชื้อเก่าเช่นถ้าเป็้าโสดาบันยอตาอะ ย, ยังไม่บรรลุเป็นผ้าอรหรันล้วเป็นเกิดเป็นเทพนีพโสดาบานนี่มีความเลี่ยนอยู่ในใจแล้วมันทําทํางานของมันละอันนี้มันก็จะทํางานต่อได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหรือว่าถ้าเป็นเทพแล้วมีพระเทวดมีพระอารหันต์ไปโปรดแสดงทําให้ฟัง สามารถบำเพ็ญเพียรก็บำเพ็ญได้แต่ถ้ามันอยู่โลกมนุษย์นี้มันก็บาเพ็ญเพียรได้ง่ายครับเพราะว่าโลกมนุษย์นี้มันมัมนมีทุกข์เยอะกว่าโลกของเทวดามันมีทุกข์มันก็ต้องพยายามกําจัดความทุกข์มันก็ต้องเข้าศึกษาหาวิธีที่กำจัดความทุกข์ได้ถูกต้องแล้ก็จะได้บำเพ็ญเพียรได้ แต่ได้เป็นมนุษย์อยู่ที่อยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแม้จะบำเพ็ญเพียรได้แต่ก็ไม่รู้วิธีบำเพ็ญเพียรเราทำอย่างไรต้องมีพระพุทธศาสนามาคอยสอนวิธีบำเพ็ญเพียรให้ถูกต้องสัมมาวายามุเพียรร่าบาเพียรสร้างบุญสร้างกุศลเพียรชำํำระจิตใจให้สะอาดโดยสุด มีเป็นคำสัำส่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆคนอาจารย์ครับภาัฤษครับผม Wisdom Kindness Love Worries about parents วิตกกังวนเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ How can I in a mindful way help my parents to feel better ทำอย่างไรที่จะทำให้พ่อแม่มีความสุขใจขึ้นแต่ไมไ่โดยไม่ได้ช่วยให้เขาดื่ม ดื่มเหล้าดื่มสุราพ่อแม่เ h e y like to drink every now and then. พ่อแม่ชอบดื่มเป็นครัง้งเป็นคราวแต่กับผมไม่ได้ดื่มพราผมปฏิบัติธรรมดังนั้นเวลาที่พ่อแม่ขอให้ผมไปซื้อสุรามาให้เขาให้ผมทำยังไง ถ้าผมไปทำตามที่พ่อแม่ต้องการเป็นการกระทำบาปหรือไม่ขอบคุณ thank you well if you love your parents you know, you don't want to hurt them you can buy them the alcohol they want you are not actually making any bad karma for yourself you are doing good karma because you, you have compassion Your your parents, but it's the wrong type of compassion because instead instead of helping them, it really hurt them. Doing doing more harm than good for them. So actually, it is possible. Try not to do what they ask. When they ask you to do something that is harmful to them, you should not do it. They might not like you. They might hate you. But you know that's their problem. But to help them to do something bad for them is really hurting them more than than helping them. ก็คือถาเวลาพ่อแม่สั่งให้ไปซื้อขอให้ไปซื้อสุรามาให้ลูกที่ดีก็ไม่ควรที่จะไปซื้อเพราะการซื้อสุรามาให้พ่อแม่เนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้พ่อแม่กระทำบา ถึงแม้ว่าชราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นบาปก็เป็นอบายมุกที่อาจจะสามารถทําให้ไปทํำบาปต่อไปไนดะ้เพราะเวลาดึกุราแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาถ้ามีอารมณ์เสียขึ้นมาก็อาจจะทําร้ายผู้อื่นได้ดังนั้นถึงแม้ว่าจ ะ, จะเป็นพ่อแม่ก็ตามแต่ถ้าว่าท่านให้เราไปทําสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยทั้งกับตัวท่านเองและกับผู้อื่นเราไม่ควรกระทํา คุณการจนาครับเว <c oughs> ลาเดินจงกรมไปสักพักใหญ่รู้สึกคลงเครงเป็นเพราะอะไรคะแล้วแก้อย่างไรคะเพราะว่าสติไม่มีมั้ถ้ามีสติมันก็ไม่ควรที่จะคงเครงนะจะมีอาการอย่างอื่นก็ได้มไม่ช่าบทำร่างกายก็อาจจะมีมีส่วนได้เป็นกันร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงหรืออะไรกอาจจะเกิดอาการทางร่างกายได้ ดันัก็เรพิธต้องต้องต้องแยกแยะดีูว่ามันเกิดจากการไม่มีสติของเราหรือว่าเกิดจากสภาวะของร่างกายที่มันมันบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องแยกแยะดูว่าเป็นเพราะอะไรคุณเตชินีครับพาลูกสาวอายุสี่ขวบไปใส่บาตพระอาจารย์ให้นมเปรี้ยวแล้วเขามาบอกแม่ว่าแม่จ๋าอนุรักษ์ดวงตามาก พูดแบบนี้จะบาปไหมคะเคำน่าเห็นความใจดีของพระอาจารย์จะพูดออกมาแต่ไม่รู้จะพูดยังไงครัอบอไม่บาปแต่มันก็เป็นรักแบบเมตตานะความรักนี่มันมีหลายแบบด้วยกันรักแบบเมตตาก็มีรักแบบรักใคร่ก็มีแต่เป็นเด็กๆ เ, เขาก็ไม่รู้เรื่องความรักใคร่เป็นอย่างไรเขาก็เหมือนกับเขารักคนที่ดีกับเขานะ่ะใครดีกับเขาเขาก็รักคนนั้นชอบคนนั้นท่านนี้นไม่บาปแต่อย่างใดมันกะ น, น มันเป็น ป, นปนกติในสายของใจของของคนทั่วไปเวลาใครก็ทําดีกับเราเราก็รักเขาชอบเขาแต่ไม่หนมายความว่าเราไปรักเขาชอบเขาทำเพศด้วยอย่างไรเนี่ยที่เทศบอกว่าผู้มีความเมตตาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนถ้าใครอยากใช้คนอื่นเขารักเราทําความดีกับเขาสิมีเขาทําให้เขามีความสุข ทำเงนินเล็นกน้อบางทีน้งเปรี้ยวขวดเดียวก็ทำให้เขารับกลราได้ครับอาจารย์แจกวันเป็นร้อยขวดนะครับอาจารมเดี๋ยวนี้มีเด็กโดยเฉพาะเด็กยากจนเก็ไม่เขาไม่มีเงินซื้อของพวกนี้เพแล้ว้นมารอรับนกทุกวันได้คนละกล่องแล้วก็ได้รับอาหารที่เหมือนจากบิลดาบาไปกินด้วยครับคุณจ๋าครับ การทำบุญเพื่อหวังให้มั่งมีเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมคะเป็นความเข้าใจผิดนะเป็นมิจฉาทิฐิถูกต้องเพราะการทำบุญที่แท้จริงนี่กพืะอรับความตันนิรับความโลภซึ่งเป็นตัวที่จะมาทำให้จิตใจวุ่นวายต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆการทำบุญนี้เพื่อรับความตันีเพื่อรับความความโลกไม่ให้รวยไม่ให้เงนมากเกินไป พราะการมีทรับมากเนไปนี่ในทางธรรมแต่ว่าเป็นเป็นรวอนเป็นเป็นเครื่องขวางกาั้นการจเจริญทาธรรมเพราะคนที่มีทรัพย์แล้วก็อยากจะมีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นก็นจะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมนั่นเองคุณสุขทุกอยู่ที่ใจครับเล่นหุ้นทุกวันอยากมีไรายได้ทุกวันแบบนี้ถือว่ามีความโลภและเป็นบาปไหมครับ มันก็เป็นการทำมา ก, กินอย่างหนึ่งก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรเป็นการซื้อขายสินค้าพูดก็เป็นสินค้าอย่างเห็นได้ว่าเล่นแบบไหนท่านเลยเล่นแบบการพนันหืเล่นแบบลงทุนมันก็มันก็ถ้าเล่นแบบการพนันมันก็แบ น, นเลนยกับการเก็งกับอะไรเสี่ยงโชคอะไรทํานอง น, นี้ซึ่งโอกาสที่มันจะ จะเจงกิะิยาการเื่งแบบใช่เหตุใช้ผลพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ซื้อหุ้นที่มีมีหลักมีเกณฑ์มีมีความเชื่อถือที่จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นซื้อแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่าไปอย่าไปสนใจเะมืนมีการลงทุนอย่างนั้นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหามากกับทางจิตใจ แตนะ่ถ้าเล่นแบบเล่นทุ่มทุกวันเกณฑ์อะไรนี่มันสร้างความเครียดสร้างความอะไรต่างๆให้กับจิตใจนะมันก็มันไม่ดีกับจิตใจถ้าเ น, นเล่นแบบด้วยการพระนะ <c oughs> คุณสหาวิทยาการครับตัวตนมาจากสัญญาที่เป็นภาพเราในใจแล้วเราตามไม่ทานออกไปกระทบหรือเปล่าครับ เป็นภาพในใจเราตามไม่ทันออกไปกระทบกระทบอะไรไม่ทราบ <c oughs> มันเป็นตัวที่หลอกให้เราคิดว่าเรามีเรามีตัวมีตนแล้วก็ทําให้เราไปถือตัวถือตนแล้วก็ทําให้เราต้องทุกข์กับการที่จะต้องมาปกป้องตัวตนของเราถ้าไม่มีตัวตนแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะต้องปกป้องเพราะไม่มีตัวเราไม่ก็ไม่มีอะไรเป็นของเรา ของทุกอย่างก็เป็นของธรรมชาติตามหลักความเป็นจริงเราก็ไม่ต้องไปคอยดูแลรักษาของที่เป็นธรรมชาตินะเราไปรักษาธรรมชาติมาตอนนี้เราต้องพยายามรักษาเพราะว่าเราไปทําลายธรรมชาติ <c oughs> แต่เราก็รักษาไม่ได้ธรรมชาติเราเพียงแต่ทําหน้าคืออย่าไปทําลายธรรมชาติคุณสีเทพครับนึกว่าจะมีครอบครัวและต้องไปทํางานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัว มากขึ้นรู้สึกว่าร้อนไม่สงบแต่ถ้านึกถึงว่าได้นั่งสมาธิในวัดคนเดียวงี่เงียบจะรู้สึกเย็นใจแบบนี้ถือว่าเห็นแก่ตัวไหมครับก็เป็นความเห็นแก่ตัวที่ไม่ไม่ไม่ผิดอะไรอย่างไรเวลาทุกคนก็ต้องเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นเวลากินข้าวนี่เราเห็นแก่ตัวไะเราไม่ได้กินให้คนอื่นไม่ใช่เวลาเราหาายใจนี่เห็นแก่ตัวไะมันก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแล้วเราไปนั่งสมาธิคนเดียวมัน เห็นกับตัวแบบนี้มันไปเสียหายตรงไห ม, มันก็ไม่เสียหายตรงไหจิตใจเราก็ต้องการความสงบร่างกายก็ต้องการอาหารร่างกายก็ต้องการลมหายใจมันก็ทาตามหน้าที่ของของของขอ ง, ของคนที่จะต้องหาความสุขมาให้กับร่างกายและจิตใจของตนนั่นเองอันยัไม่ได้เป็นความเห็นเกเป็นการเห็นกับตัวที่ไม่ไม่ไม่เสียหายไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อน <c oughs> <c oughs> คุณแต้มสีครับอยากสอบถามว่าการบวชเป็นแม่ชีถ้าเกิดมีเหตุให้ต้องใช้เงินจับเงินเช่นซื้อรองเทา้าซื้อยารักษาโรคทําได้ไหมคะผิดศีลของแม่ชีไหมคะคือแม่ชีนี้นก็อยู่ที่ว่าจะถือศีลศีลข้อที่ให้จับต้องเงินทองเก็บเงินทองได้หรือไม่ถ้าถ้าอยากจะถือแบบแข่งขันนี้ก็ต้องถือแบบไม่ไม่ไม่ไม่ใช้ใจ่ายเงินทอง อยู่แบบไม่มีเงินไม่มีทองอยู่อยู่อยู่ตามมีตามเกิดซึ่งมาจจะต้องไปอยู่ตามสํานักที่มีผู้ตามสํานักเขาช่วยดูแลเริ่มการเรื่องปัจจัยศีต่างๆให้กับกับผู้ที่ไปอยู่ในสํานักนั้นแต่ถ้าเราอยู่ที่ที่ต้องพึ่งตนเองเราก็จะเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองไว้สำหรับ ดูแลตัวเราเองอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราต้องไปศึกษาดูกับวัดที่เราไปอยู่ว่าเป็นวัดแบบไหนเป็นวัดที่ดูแลแม่ชีด้วยหรือเปล่าดูแลแม่ชีมันดูแลพระหรือเปล่ายาเป็นต้นถ้ามีเรามันก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องใช้ คุณมาริสาครับเวลาเจอคนบูลลี่ให้ทำตัวเหมือนแผ่นดินใครจะอุจจาระปัสสาวะใส่ก็ให้นิ่งเฉยซะแต่ในทางโลกคนที่บูลลี่เราและคนรอบข้างจะเห็นว่าเราเป็นคนโง่อยากได้คำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะก็คนโง่เขาจอมองคนอื่นว่าโง่คนฉลาดกด็รู้ว่าเราไม่โง่ก็ใช้ได้นะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะไมโง่เพยางอย่างก็ทำตัวของเราแบบนี้ทาให้ใจเราสบาย ทำไม่ใจเราไม่ทุกข์ไม่เครียดเราต้องดูคนที่เกิดจากการกระทำของเราว่ามันให้ทุกข์กับเราหรือให้ให้ศกให้สุข ก, กับเราถ้าทำแล้วมันให้สุข ก, กับเราเราเราจะโง่ได้อย่างไงคนที่ไปบูรีคนหนึ่ง น, นะกลับเป็นคนที่ทุกข์มากกว่าเพราะทำไปแล้วเดี๋ยวก็จะเสียใจในภายหลังตอนที่ทำใหม่ๆก็สนุกแต่พะวันหลังพอผ่านไปก็จะมาคิดว่าเราไม่น่าทา ทำแบบนี้เลยการไปการแกล้งไปรังแกคนเนือนี่ถ้าเกิดเราถูกเขารัางแกมากเราจะรู้สึกอย่างไรนมันก็จะเกิดความจิตจำเนึ้ความความเสี ย, จยใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ไม่ภูกใจในตัวเองคือสรุปก็คือใครก็จะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเถิดขอให้เราคิดให้เรารู้ว่าเราคิดคิดของเราเราถูก ใช้ได้มันเป็นผลดีกับจิตใจของเราพอๆส่วนคนเขาจะคิดว่าเราโง่หรือเฉลาดก็เป็นเรื่องของคุณจุดีครับให้เทศบาลมากําจัดรังแตนบาปไหมคะรังมาอยู่ใต้ฟ้าหลังคาบ้านรังใหญ่ครับถ้าเราสั่งเขาให้ทำํำเราก็มีส่วนด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้สัง่งเราเป็นแต่แจ้งออไปให้เขาทราบว่าที่บ้านเราเป็นรังแตนแล้วก็อาศัยมาทํา เขาก็มาณทําให้โดยที่เราไม่ได้สั่งเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคยื่งหน่อยในทางด้านศีลธรรมอาจจะ เ, เรียกว่าเป็นแบบศีลถนนชายก็ได้อันนี้ไม่แต่ทางวินยัยท่านถืออย่างนั้นถ้าเราไม่สั่งเขาไม่บาปถ้าเราไม่สั่งเขาแล้วเ้ า, าทำให้เรานี้ไม่บาป แ, แต่ถ้าเราสั่งเขาแล้วเขาทาให้เราบาปงั้นเราจะ่าไปสั่งเขาแต่เราแ จ, แจ้งสถานการณ์ให้เขาทราบได้ ขึ้นอยู่กับจิตสํานึกของเขาว่าเขาจะทําหรือไม่ทําให้เขาตัดสินใจใหเองเขโทรไปแจ้งว่าที่บ้านมีหลักตายไม่รู้จะทํำยังไงให้ก็ระจบอันนี้ไม่ได้สั่งเขาแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดการให้โอเคเป็นหน้าที่ของเขาก็าต้องทําไปเก็ทำํำไปถ้าก็ไม่มาก็ทําทไม่สั่งเขาไม่ได้นอกจากไปไปโทรย้ำบอกเรื่อยๆเตือนเขเรื่อยๆเท่านั้น คุณพีอครับทั้งทั้งที่ชีวิตมีเกือบครบสมบูรณ์แล้วทั้งการศึกษาฐานะพ่อแม่ที่ประเสริฐแต่บางครั้งจิตหม่นหมองเพราะความอยากมีแฟนคิดว่าเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากเพราะเกี่ยวข้องกับคนอื่นควรวางใจอย่างไรดีคะคืาเนี่นะครับเจ้าหมองไม่เกิดจากความอยากของเราถ้าอยากาไม่ไอยากให้ใจเราหม่มองก็หยุดความอยากเลยด้วยการมองว่าการที่มีแฟนนี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะแฟนอาจจะเปลี่ยนได้ เวลาพบกันใหม่ๆเขาก็ดีไปหมดพออยู่ด้วยกันแล้วบางทีท่านแท้เขาก็ อ, อกมาเวลาเขาเอามณ์ไม่ดีก็าอาจจะตะอคอกใส่เราหรือเวลาเราทรําแล้วให้เขาไม่พอใจเขาอาจจะโกรธเกลียดเราขึ้นมาก็ได้ที่จะมีแล้วทําไมเขาถึงมีการอยากกันเรื่อยถ้าเรมีการทะเลาะไม่มากกันเลยถ้าการมีแฟนเป็นของดีจริงนะครับอย่างนี้ต้องลอง ถ้าเห็นว่าการมีแฟนนี่เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเราก็จะหยุดความอยากมีแฟนได้หรือจะถ้าจะให้เลิกไปกว่า น, นั้นก็ให้มองความไม่สวยงามของแฟนมองร่างกายของแฟนในส่วนที่ไม่สวยงามมองเข้าไปภายใต้ผิวหนังหรือว่าการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังก็อาจจะทําให้เราว่าไม่อยากมีแฟนได้เ ห, <laughs> เห็นแต่สวยข้างนอกหล่อข้างนอกแต่ข้างในนี่โอ้โหเนื้ เ, เท่ไปหมด อันนี้ก็จะเป็นการากาจัดความอยากมีแฟนได้คุณโคโคครับการมองเห็นคนธรรมดาเป็นกระดูของพระอนาคามีจะเห็นตอนหลับตาหรือตอนลืมตาครับ อ, อ๋อเห็นด้วยใจมันไม่ต้องในเห็นด้วยตาเนาะเห็นเห็นด้วยตาด้วยคํำนึกคิดนะครับนคิดจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้แต่ตอนนู้นถ้าเรายังไม่เคยเห็นเราต้องใช้ดูตาหนอาก่อนจะเป็นดู ดูหนังสือ anatomy mm hmm. อย่างเงี้การดูอาการต่างๆของร่างกายแั้ต่อไปก็เอาม า, มาคิดให้มันจดจำาให้มันจำ ใ, ในใจต่อไปจะหลับตามองหลับตามเลกๆดตามเลกมันก็จะเห็นใน ใ, นใจตลอดเวลคุณวชิรวิทย์ครับพระโสดาบันจะไม่ขี้เกียจในการปฏิบัติไม่ผัดวันประกันพรุ่งใช่หรือไม่ครับ อันนี้ก็เรื่องของความขี้เกียจมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องเราไปปฏิบัติโยนติกาไม่อยากจะตอบเพราะว่าคงยังไม่ขี้เกียจนะเพียงแต่ว่าจะขยันมากขยันนอนเนี่อาจจาะขึ้นอยู่กับภาวะวภาวะโสด า, า, า, ามันอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่ก็ได้และอาจจะมีภาระการงานอย่างหนึ่งที่ยังต้องผูกพันต้องทำอยู่ยังตัดไม่ได้อย่างนี้ท่านก็ยังอาจจะไม่ได้ ปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที่ก็ได้อันนี้ก็มั น, ม, นมันตอบยากขอให้ไปเป็นกลอฟการ์ดเข้าไปดูว่าจะขี้เกียจไม่ขี้เกียจคุณธิธีคธฒนาครับเมื่อเราฝึกสติและสมาธิทุกวันโดยไม่หยุดตัวสติที่ฝึกนี้จะแปลเป็นตัวรู้ตัวเตือนให้เราเห็นตัวคิดใช่ไหมเจ้าคะตัวคิดก็คือตัวหลงคิดหลงคิดทุก หลงคิดสุขสิ่งที่ควรทําคือรู้สติเป็นระยะๆแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะก็คือตัวตัวสติที่ไม่ได้แปลหรอกตัวสติก็เป็นตัวเราเล็กลูวัวที่คอยจะดูฟองดูว่าจิตกําลังคิดอะไรนั่งกายกำลังทําอะไรนี่นี่อันนี้ก็คือตัวสติตัวสติที่ดื่มใจให้มันดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโมกติใจถ้าไม่มี อะไรมาบังคับมันมันก็มันก็ไหลไปตามอารมณ์มันต้ออยากจะคิดอะไรนะมันก็คิดมันอยากจะดูอะไรมันดูมันก็ลอยไปลอยมาแต่พอมีสตินี้มันจะเป็นเหมือนกับมีมีเป้าหมายว่าจะต้องบังคับให้มันดูอะไรให้มันดูนัางกายหรือให้มันดูคำบาลีคำพูดเถอะพูดเถอะอันนี้เป็นการจัดควบคุมจิต ไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้พราจิตสงบจิตก็จะเห็นจิตก็จะเห็นว่าตัวตัวความคิดปุจจัยหายไปตัวตนก็หายไปแค่เห็นแต่จะเหลือแต่ตัวที่รู้เอย่างเดียวแต่เรารู้เรู้ว่าทุกอย่างหายไปเหลือแต่ความว่าไอ้ตัวที่รู้ตัวนี้ก็คือตัวตัวรู้หนี่ง คุณรวิวันครับเวลานั่งสมาธิต้องใช้ทั้งรู้สึกลมหายใจเข้าออกและท่องพุทโธในใจพุทโธช่วงหายใจเข้าได้ถึงห้าถึงหกครั้งและหายใจออกได้ห้าถึงหกครั้งเช่นเดียวกันถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีความคิดพุทแทกมากกว่าถ้าท่องช้าเข้าพุทออกโทก็มีแทกเยอะค่ะขอพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ะคือการภาวนาการดูลม ก, กับการใช้พุทโธนี่มันก็แต่คนจะต้อง ต้องเลื่อกล่าว่าอย่างไหน ม, มันเหมาะสมหับของเรานะคือบาทีนี้ในสถติประธานนี่ท่านสอนเพียงแต่ให้ดูลมอย่างเดียวดูที่ปาจมืหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกหายใจออ ก, ออกลมจะยาวลมจะละเอียดก็รู้ตามความเป็นจริงจะสร้านจะยาวก็รู้ตามความเป็นจริงแต่ในยุคปัจจุบนันนี้มีผู้ปฏิบัติบางคนแทนที่จะใช้ การดูเร็วก็หันมาใช้คาบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพีอย่างเดียวก็ได้ขึ้นอย่างเดียวบริกรรมพุโทโธพุโทโธโดยไม่ไม่ดูเอันนี้ก็สามารถปรับความถี่ความไม่ถี่ของพุโทโธได้ถ้าใจมันแทรกเข้ามาก็จะบริกรรมพุโทโธให้ถี่ขึ้น <Okay. S 1> ถ้าถ้าพูดบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวมันก็มันก็เปลี่ยนความถี่ความช้าคํามเร็มได้ แต่ถ้าเอาพุทโธไปปลูกกับลังหายใจเข้าออมันมันเปลี่ยนได้ได้มันต้องไปตามตามตามการเข้าออกของลมหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราพอเวลาเราพอน า, านแล้วมีความความคิดผุดขึ้นมามากถ้าเราต้องการบริการพุทโธให้ถี่เราก็ต้องทิ้งลมไปเอาแต่คํำบริการพุทโธเพียงอย่างเดียวบางคนคิดบอกว่าดูเราเอย่อยางเดียวก็เอาไม่อยู่ ต้องมีพุทธโทรกำกับด้วยถึงจะอยู่อันนี้ก็ต้องก็ต้งว่าไปครับคุณบุพชาติครับไปประเทศลาวแล้วเราใช้เงินลาวทำบุญเราจะได้บุญใหม่คะเพราะเราเป็นคนไทยครับอ๋อได้มันก็เป็นเงินเหมือนกันแอ้ญาติโยอยู่ที่อเมริกาแล้วทำบุญด้วยเงินดอลลาร์เขาเป็นเหมือนคุณเสือร้ายครับ นั่งภาวนาถึงขั้นเวทนาขึ้นเต็มที่พยายามอดทนแล้วแต่เหมือนใจจะขาดต้องออกจากสมาธิวิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับต้องพยายามพอมร์คํามพุโทโธพุทโธให้อยู่ให้จิตอยู่กับคำมรริกรรมไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บที่เกิดขึ้นเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าจิตอยู่กับพุโทโธได้เราไม่คิดถึงเวทนาความทรมารใจมันจะหายไปจิตก็จะเย็นจะสงบ แต่เน่งในเมื่อความเจ็บเวทนายังมีอยู่ก็อยู่กับมันได้หรือบางครั้งบางคราวจิตรวมเป็มที่เวนตวนาก็หายไปไหนก็ไม่เห <c oughs> นต้องพยายามใช้สติคือใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่อย่าไปคิดถึงอย่าไปสนใจกับเวทนาที่กําลังเกิดขึ้นพยายามไม่เกาะติดอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธไปเพียงอย่างจนจิตกับพุโทโธนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรื่องเวทนาไปไหน จิตก็จะไม่เดือดร้อนกับเวทนาจิตก็จะสงบจิตก็จะเย็นจะสบายถึงแม้เวทนาจะไม่หายก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้คุณพัทรัครับถ้าเราเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลทางใจเกิดจากการเข้าไปถือเอาหากวางทุกข์นั้นซะก็พ้นจากทุกข์ชั่วคราวหากเราใช้อาการจิตเช่นนั้นมาเป็นอารมณ์ได้ไหมครับก็อลองทำดูสิ ทํา <Okay. S 1> คุณวรรณรัตครับวันกับนักมัธยมพระอาจารย์ผู้รู้กับสติเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เราไปยึดว่าเป็นเราหรือเปล่าคะเจ้ว่าเราเจ้ว่าเราไปยึดกันก็ก็คือความหอนความหลงที่ไปคิดว่ามีเราแล้วก็ไปไปไปยึดว่าสติเป็นเราผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ แต่ความจริงมันเป็นธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกคุปติสน พ, พันธ์ครับการวางจิตว่าไม่มีตัวเราของเราเป็นการหลอกตัวเองหรือว่าเป็นการเจริญปัญญาให้ระลึอกอย่างนั้นจริงๆขอรับเพราความจริงมันไม่มีตัวเราของเราการการพิจารณาว่าไม่มีตัวเราของเรามก็เป็นความจริง เพีแต่ว่าเพียงแต่เราเลือกเฉยๆไม่วามมันต้องมีประกอบกับการกระทําด้วย <Okay. S 1> ใช้เวลาใครดา่าก็ต้องบอกมันด่าใครว่า <Okay. S 1> มันไม่ได้มันไม่ด่าเรามันไม่มีเราเร <Okay. S 1> าทำนี้ได้ถึงจะถ้งจะแสดงว่าไม่มีเราจริงๆแต่พอใกล้ด่ า, ดาปั๊บโกล่เขาขึ้นมาจีนงๆแสดง ว, ว่ามีเราออกไปรับนะถ้าไม่มีเรานี่มันต้องเฉยเป็นอุเบกขา ใครด่าด่าใครก็ไม่รู้รู้ว่ามีการด่าแต่ไม่รู้ว่าด่าใครมันจะไปโกดเขาทาไมะครับก็ไม่ได้ด่าเราเพราะไม่มีเราอันนี้เนี่ยมันยากตรงนี้อะมันไม่เวลาเวลาพิจารณาเวลาคิดมันง่ายแต่เวลาขึ้นเวทีไปเจอของจริงเนี่ยมันยากจะทําใจได้หรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ด่าเราเพราะเราไม่มีเรา เราเป็นแท้ผู้รู้ท่านเองผู้รู้ผู้คิดกันเองผู้รับรู้คำด่าแต่ไม่มีเราเป็นผู้ไปรับรู้มีแต่การรับรู้แต่ไม่มีผู้รู้ผู้ไปรับรู้ไม่มีเราไปรับรู้ คุณศิลประภาครับน้องชอบเล่นหวยใต้ดินและซื้อลอตเตอรี่ถูกบ้างเสียบ้างเขาพยายามเลิกแต่ถึงเวลาก็อดไม่ได้สักทีทำยังไงจะเลิกได้คะเขาชอบศึกษาธรรมะมากไม่ทำบาปผิดศีลข้อไหนคะ่ะที่เลกาก็าาาทำบัญชีไว้เลยว่าเขาซื้อเท่าไหร่แล้วเขาเขเขาถูกเท่าไหร่แล้วมาบวกลงบัญ า, นานหรือว่ า, ากาไรั้นขาดทุน ถ้ากำไรก็เล่นต่อไปได้ไม่เป็นไเพราะเราเล่นก็เพื่อให้กำไรเหมือนกับเป็นการทำการค้าใช่ไหมการค้าเราก็ต้องมีการทำบัญชีนะว่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ถ้าถ้ามันรายจ่ายมากกว่ารายรับก็เจนก็อย่าไปทำดีกว่าขาดทุนไปไปทำอะไรใช้หลักตักกะมันก็อา จ, จะหยุดได้ถ้ า, ถ, าถ้าเล่นแล้วมันยังกำไรอยู่ก็เล่นไปน ไ, ไม่เป็นไไม่เสียหายตรงไหนนี้ถ้ามันกำไรใช่ไหม การได้ไม่ขัดทุนก็อย่าไปเล่นดีกว่าเจ๊งเจ๊ง จ, งจงก็ไปเล่นทำไม่วยอยูเฉยเไม่ดีกว่าใช่เหตุผลดูอาจจะแก้ได้แบบนี้คุณใหม่ครับถ้าเรายังต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้จบในขณะที่ปฏิบัติธรรมไปด้วยกับหาเงินแต่เผอิญตายไปก่อนแบบนี้เราจะทำจิตให้สงบในระหว่างปฏิบัติธรรมได้อย่างไรคะ โอ้ยอย่าไปพูดเรื่องท่ามากเกินไปตอนไม่ถูกมันมีหลายเงื่อนไขได้เกินขอให้ทำไปก็แล้วกันเถอะทำให้มากที่สุดทำได้ที่เราจะทำได้ยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีและสิ่งที่เราทำมันจะติดไปกับเราถ้าทำไม่ได้ผมปีชาตินี้เดี๋ยวมาทำต่อชาติหน้านะไม่ต้องไปเริ่มต้นที่สูงเลยเราไปเริ่มต่อจากตอนที่เราตายเราตายราตายรงเราปฏิบัติถึงตรงไหนเราตายตอนนั้นนะ พอเราไปเกิดมาแล้วก็ไปทําต่อนะเป็นนิสัยต่อไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์คนบางคนเวลามานั่งสมาธิบางคนเนี่งสงบได้ง่ายเลยเรับคนหนั่งแล้วไม่สงบเลยเขาบอกว่าเนี่ยอันดีตเคยทํามามากน้อยสัตครับคนที่เคยทํามามากชํา น, นืองนะพอมานั่งปุ๊บก็ได้คนที่ไม่เคยทําเลยพอมานั่งเขาบอกว่าตัวทีท่สูงนะคุณบุญมากครับ เวลานั่งสมาธิถ้าเห็นคนอื่นจะรีบดึงใจกลับมาดูลมหายใจและพุโทโธพุโทโธตามที่พระอาจารย์บอกแต่หลายวันมานี้พอเห็นปุ๊บพอดึงใจกลับมาปุ๊บ ก, กลับเห็นเป็นเขาจะมาซ้อนลงในร่างกายของเราเหมือนเขาตามใจของเรากลับเข้ามาในตัวเราแต่เราไม่ต้องการจึงเดินตาขึ้นขาดควรทาําอย่างไรดีค ร, รับก็อย่าเป็นเรินตาถ้าเราก็ทํารอดสอบอย่าไปสนใจกับเวลาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนา ให้เราดูลงไปแล้วก็โทรไปทำยังคุณจุ๊กครับการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นถ้าไม่นับที่ต้องพยายามมีสติในทุกอากัเกิริยาตลอดทั้งวันการนั่งสมาธิควรนั่งอย่างน้อยนะัะนาทีถึงจะได้ผลดีคะถ้าไม่เวลาควรนั่งไปเรื่อยๆแบบนั้นหรือเปล่าคะเือมนไม่ขึ้น อ, อยู่กับเวลาผมนี่มันเกิดจากการมีสติอย่างต่อเนื่องมา ถ้าเรามีสติอตอนนี้ได้สักห้านาทีนี้เดี้วมันก็ถูแต่ถ้าเราสติเราล้มลุกผูก้คันได้มาชั่วโมงก็ยังไม่ได้ให้มันอยู่ที่สตินั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาฝึกสติให้มากาก่อนที่เราจะมองหน้าคุณชัยครับ ที่บ้านทําสัญญากำจัดปลวกเป็นรายปีต่อสัญญามาเรื่อยๆทุกเดือนเขาจะเข้ามาฉีดฉีดตามจุดต่างๆแบบนี้เราจะบาปไหมครับมันก็อยู่ที่ตอนต้นว่าเราเราเราไปทำสัญญาเข้าแบบไห น, นเราไปสั่งเขาให้มาทำหรือว่าเราเป็นแบบไปไป ป, ป, ปรึกษาเขาว่าที่บ้านมีปลวกเพราะเรานม้นจะทําอย่างไรดีเขาบอกไม่เป็นานผมจะจัดการให้ ถ้าเขาอาสามาทําให้แต่ต้องจากค่าอาสาสมัครอยนี้เราก็ไม่แบบเพราเราไม่ได้สั่งให้เขาทำแต่ถ้าเราไปสั่งเขาช่วยมันช็อปจัดตลวกให้หมดไปคิดเทาไหร่ก็บอกมาถ้าอย่างนี้ก็เบาเรไปสั่งเขาอันทาให้เราเนีอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคทางด้านศิลปนะอันนี้จะผิดจะถูกยังไม่ทราบแต่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทํางภาเราทํากันเพราะบางทีกุฏิภ า, า, าคก็มีมีตลวกมีอะไร ก็บอยากโยไม่ท ร, ราบโยห่วงไม่ไเคยกุศลโยมก็วังไม่เป็นไรเดยมมาจัดการให้สัน่นี้เพราะว่าโยเขาที่ว่าเขาทำแล้วก็ได้บุญเพราะในเขาก็ทําบาปมากกว่านี้ถึงได้ทําไปเขาไ ป, ปหาปลามา ก, กินเขามาหยักสัตว์เป็นเป็นอาหาอยู่แล้วงนการที่มาทําค่าสัตว์ทั่วก่วงนี้ซึ่งเขาที่ว่ามันไม่มีไม่มีอไม่มีคุณค่าราคา มีบากระน้อยเขาก็ยินดีทํำบาเพื่อแรกของมึงเขาทํำบาเพื่อที่จะทําให้พระได้ได้รักษาสติได้มีสติได้ได้อยู่อาศัยปฏิบัติครับเขาก็เขาก็ทําเพราะว่าที่เขาทําเพิ่มนี้มันไม่ได้มากมายากลกอนชอบบาบาที่เขาทาอยู่เป็นประจำนะครับทุกวันนอไปจับปลาไปยิน็อกไปอย่างเงี้ยเป็นอาหาอย่างเงี้ยต้องต้องปาษาสมาทําอันนี้ก็เป็นเป็นความสมัครใจของเขา เขาบาปน่แต่พระนี่ไม่บาปถ้าไม่ได้ไปสั่งเขาที่จะปึกษากับเขาคุณสาธิมีครับท่านอย่างไรจึงจะสอนนักเรียนในปัจจุบันให้มีคุณธรรมจริยธรรมส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสนใจครับก็บอย่างว่าตอนนีนนจจน้มันเหมือนกับว่ามันมันขาดการจะคุณธรรมจริยธรรมมาก แต่กระทั่งมันเรียกปู่ไม่กลับนะก็ไม่เป็นไรก็ทําได้ก็พยายามสอนใปนะื้องหวังว่าคนบางคนที่มีคุณธรรมอยู่ในใจถ้าจ ะ, จะสนใจและนำไปปฏิบัติคนที่ไม่มีไม่สนใจ น, นำมาปฏิบัติก็ปล่อยไปมันวัวสี่เหล่าลนันแหละวัวสี่เหล่าอาจจะมารวมกันอยู่ในห้องเดียวกันเราก็สอนไปหวังว่าจะมีรวมวเหนือน้ำสักคนสองคนได้อย่างดี เ่าัวบัวบัวได้อยู่คนกระตงก็ขวอให้เป็นอาหารของของูของกลาไปคุณนิพาวันครับเพื่อนอายุ51ปีเส้นเลือดในสมองแตกไป น, นำมาพึกข้างซ้ายกายภาพประมาณสามเดือนพุกใจมากใจเศร้าหมองฟัง y youtube ธรรมะหลายอันก็แล้วไม่เข้าไปที่ใจรู้ว่าป่วยกายไม่ควรป่วยใจแต่ทำให้ได้จะให้กำลังใจอย่างไรดีครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าก็ไม่ขอกําลังใจหไม่ต้องให้เขาล้วเราต้องกำลังใจก็สอนทํา่า้เพราะว่าที่เราทุ่มใจเพราะเราอยากอยากให้หาอยากให้เป็นปกติเรามันไม่หายไม่เป็นปกติเราทุ่มใจมากเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้แต บ, บไม่ทุ่มใจอยู่กับควาทุกกรรมภาพได้แต บ, บไม่ทุ่มใจน้องผู้ชอบนีท่านก็ต้องนั่งโ น, น้มเห็นนมาไห น, น, น, นมาไหนท่านก็ต้อเห็น แต่หน้าตาท่านจัดสายเบิกวางพัวเลาะเยาะไปไหนก็สุขสบายมีคนคอยเข็นรถเข็นให้ท่านดีไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเดินมีคนคอยดูแลทุกอยากให้กับท่คนคานหน้าตาเราแต่เราจะมองถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นจริงของเราใีสนามนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไ ก, ไ ก, ไไดก็อยากให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราก็อย่าไปอยากเลยท่านึงองเพราะเราไม่มีความอยากใจเราก็จะมีความสุข รราอาจารย์ครับผู้บาอาจารย์หลายองค์เลยนะครับที่เป็นอมตะนะครับหลวงปู่ชาหลวงปู่โบเกเตมมเป็นอะก็ไม่มากก็เป็นธรรมนาร่างกายมันไม่เล่นหนกันจะเป็นใครกร็ต่มันมีเหตุมีปัจจัยทาให้ใ ร, ร่เซนมันก็แตกเราก็ไม่แน่สักวันนึนา จ, จะเป็นก็ไม่รู้ของธรรมะเกิดร นแต่ว like we ่าใจมอนท่านไม่ท no ุกข์กับมันแล้วใจเราอยากเปทุบมันใจเราก็เหมือนเดิีตองที่มันมีเป็นก็ต้องยอมรับ่ว่ามันจะมีบากรรมของเราไปนั่นแหลจะทาให้การเคลื่อนไหวการทาอะไรมันยากขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ก็อยู่ต่อไปถ้ามันยังอยู่ต่อไปได้ก็ให้มันอยู่ไปถ้ามันอยู่ไม่ได้มันตายก็มันตายไปเมจบก็มีการนี้จะไม่เกินอารมณ์ขอท่านก็ต้องตายไปอยู่ดีไม่ใช่หรือ คุณธนัทครับอาการหรืออารมณ์ของจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมครับไม่ใช่อารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีความเค้ียความริบความตระวนนั้เป็นอารมณ์ที่เกิดในจิตส่วนผู้รู้ก็คือผู้รู้ว่ารมณ์รับรู้ว่ามนไม่มีอารมณ์เครียดมีอารมณ์ริอกมีอารมณ์ตระวลมีอารมณ์สุข อรมณ์สบายอันนี้คือดทุขอรนะตัวกันามณ์เกิขอรับคตัวใจแต่อยู่ในจิต ด, ด้วยกันคุณนาวาครับหนูชอบพิจารณาความตายธาตุสีกรรมตัณหาทำให้เกิดทุกข์พอหลับฝันเห็นนิมิตซากศพของอื่นแบบนี้เรียกอสุภสัญญาใช่ไหมครับอาจารย์และขั้นต่อไปหนูจะต้องทำอย่างไรในขั้นเดินปัญญาครัเพระาะทางิจารณา อยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อไม่ให้ดึงเพื่อให้เวลาที่เราเกิดการเอามันขึ้นมาเราสามารถเอาเ อ, าอาสุภะนี้มาดับการมาอาให้ได้เราจะได้อยู่คนเดียวได้รักษาถึงแปดได้ไม่เสดการได้คุณชิตสนุก ค, คงครับถ้าเราขอนบ้านกับพี่สาวแล้วเราทิ้งมาบวชเหมือนโยนภาระให้พี่สาวนี่ปาปไหมครับก็คุยกับพี่สาวขอนมา เราไม่อยู่บ้านนนเราเรายกกรรมเสียแทนพี่สาวเข้าไปมันกมันก็จบเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนใ่บ้านเหมันก็อยู่ที่การที่เราจะต้องคุยกันแล้วก็ดีมีเราเยอะมากคุณปาลิชาติครับแฟนของหนูเสียชีวิตที่ต่างประเทศหนูทำบุญไปให้เสมอแต่ไม่ได้มีโอกาสบินไปงานศพของเขาที่นั่นเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด ตอนนี้เราเดินทางได้แล้วแต่หนูกลับคิดเอาเองว่าจําเป็นหรือไม่เพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วดูเคล็ดแบบนี้ถูกไหมคะถูกแล้วลนะ่ะเพราะไปแล้วที่เราทำนี่ไม่ได้ทําให้ร่างกายของ เ, าเราทําให้ของรวงวิญาณโวงวิญาณก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะดวงญาณไมอยู่ในโลกทิ่นั้นนั่นก็สิ่งที่เราทำได้ให้กับเขาก็คือทำบุญรับบุที่บุญแปให้เขาเท่านีน้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเราก็รับบุญ เขาต้องมาณรับสินนันท์เกาต้องการที่เราที่ให้กับเขาไปคุณแต้มสีครับปัจจุบันนี้นักบวชจะหาภาพอสุภะได้จากที่ไหนคะหรือว่าจากในอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาปริ้นลงในกระดาษได้ก็นในอินเทอร์นเนเต็ตมีระยะทางนิดน้องใส่คำว่าอสุภะภาพอสุภะไส่เข้าไปอยู่ข้างในคุณสุจิตครับ เราควรให้อาภัยคนคนหนึ่งกี่ครั้งคะเราให้อาภายัยไปตลอดเลยทุกครั้งเลยไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามเขาทาอะไรให้เราไม่สบายใจเราพอเราโกรธเขาเราก็ให้อาภายัยเขเพราะว่ามันเป็นการทาประโยชน์ให้กับเราไม่ได้เป็นการทําประโยชน์ให้กับเขาเพราะเราให้อาภัยเพื่อหลับความโกรธของเราความโกรธเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่การกระทําของเขา เพราะทำลายกี่ครั้งถ้าทําให้เราโกรธเราต้องมาดับความโกรธของเด้วยการให้อภัยเขาแต่ถ้าเราไม่โกรธเขาแล้วเราก็ไม่ต้องให้อภัยเขาเพราะจะทอะไรกี่ครั้งเราไม่โกรธเ้าเราก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องให้อภัยเขาว่าไม่ให้อภัยก็คือว่าเราก็เฉยๆไปแค่นี้เราก็ไม่ไปโกรธเขาไม่ไปอคติยาบเพราะเราไม่มีความโกรธไม่มีความอคติเขาเราเข้าใจว่าเป็น เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เรื่องการกระทำของผู้อื่นนี่เราห้ามเขาไม่ได้พราะจะทำร้ายเราเห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่าทำได้ก็คือพยายามบอกเท่านั้นเรู้เข้าม า, มาททแล้วมาทางนี้เราก็ไปทางนี้เสียคุณเตชินีครับมีความศรัทธาต่อพระอาจารย์จนคืนหนึ่งฝันเห็นแสงสว่างในใจาอาจารย์มีวงแหวนรอบเหมือนดาวเสาเลย และแยกออกอีกสองดวงรวมเป็นสามดวงแบบนี้จิตมันหลอกเราไหมเจ้าคะและมีความหมายทางธรรมไหมคะขอบความเมตตาด้วยไหมคะ่ะไม่มีหรอกมันก็เป็นแค่ความคิดฝุ่นแต่ขงของการชงจิตเวลาหลับไปเท่านั้นเองแล้วพิจารณาให้มันเป็นว่าเป็นปรากฏการเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปแล้วนะครับไม่มีสาระประคุณนันทนาครับ การฟังวิสัชนาจะเป็นหัวข้อซึ่งแตกต่างกันหลังจากฟังฟังแล้วจะนั่งสมาธิต่อค่อนข้างยากกว่าหลังจากฟังเทศกว่าจะรู้สึกว่าสงบลงได้พิจารณาช่วยแนะนําด้วยข่าวว่าควรจะทําอย่างไรคะคือถ้าเราต้องการนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องมาฟังวิสัช น, นาจะลุยกว่าถ้าเรานั่งสมาธิเองได้เช่นั่งสมาธิโดยล ม, ม, ม, ม, มไปติดใกล้จะทะเลา แต่ที่การที่เรามาความวิชาช้านี้ส่วนใหญ่เป็นการปัญญามากกว่ามันก็การความรู้เพราะมันมีปัญหาหลากหลายด้วยกันมันจะทาให้เราได้ได้ได้แง่มุมต่างได้เข้าใจหลักธรรมง่ายหลักหลายง่าด้วยกันเกินการฟวาเท็จมันก็เป็นการแสดงแบบเรื่อยๆไปมันก็อาจจะทําให้จใจสงบได้ง่ายกอ่าการฟังการสนทน า, นา เพระการสัญนานมมีการหยุดมีการต่อมีการเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวแต่การทำเทศน์นี่มันจะรู้สึกว่ามันไหลไปและการจะทําให้ใจสงบง่ายๆของการมีสัจชนะแต่ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องฟังเทศห์หรือความวาไม่สัมานกาก็นั่งสมาธิไปย น, นดอย่างเดียวจะดีกว่จิตจะได้สงบได้ในยื่งะ แต่ว่าบางคนยังนั่งสมาธิเองไม่ได้ต้องอาศัยการฝึกเทศไปก่อนก็ต้องฝึกเทศไยครับคุณสมปรานาครับครูบาอาจารย์ที่เป็นอมภาพจะเกี่ยวกับพิธันนั่งสมาธินานๆแล้วเลือดลมไม่ไหลีหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวหรอกถ้าเกี่ยวจครูบาอาจารย์ต้องรู้ว่าต้องเป็นยังไงต้องเป็นนามภูการอมภภาพอย่างดูเ ร, เ, เรื่องนีง้น ก็ทางทาต้ก็รู้อยู่นหอยว่าไม่ได้เกี่ยวพี่วเป็นีเ่เส้นเลือดถูกตังใช่มครับ ค, คุณเอ็มครับผมทำสมาธิบ้างไม่บ่อยมักจะนั่งถึงขั้นความปวดหายไปรู้สึกร่างกายจางๆพอฝึกเดินจงกลมที่หนึ่งพระอาจารย์บอกผมติดเพ่งเลยให้เดินสบายๆให้เผอคิดเน้นกลับมารู้ตัวตอนจะกลับตัวเดินสติจะเร็วขึ้นเองทำถูกไหมครับ เวลาเดินจงกรมพระอาจารย์บอกให้ติดเพ่งบอกติดเพ่งให้เดินสบายให้เผื่อที่ไม่ถึงเดินสบายได้อยู่แต่ไม่เผอคิดเดินสบายจะให้มีสติว่าการเดินให้นีสติว่าคุโทอย่าวล่อยให้คิดอันนี้่สุดถ้าให้เผื่อคิดเรื่อนธรดาไม่ถึเพ็ัเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อควบคุมความเครียดหความเได้ปล่อยให้เผอคิด คุณวีนาครับหนูกาเบียนถามว่าคนบางคนที่ทําดีมาตลอดแต่หนูเห็นเขาลําบากและตอนใกล้เสียชีวิตก็อะไรครับเราก็ไม่รู้หรอกเขาทําดีมาตลอดเร็นรึเป่าเราไม่ได้อยู่เขาตลอดออยียยด่บสี่ชั่วโมงดังนั้นอย่าเป็นไรไปตัดสินตัดสิ่งที่เราเห็นเพราอาจจะเป็นเพียงเ ช, ช่นเช่นเรื่องแรกเช่นไรของจิกซอว์ท ดูควาจิกซอส่วนอีกแล้วนที่เราาจจะมองไม่เห็นกันนะให้เราอย่ไปตัดสินใจตัดสินเขาจาจากภาพที่เราเห็นนในในตัวเขาว่ามีส่วนที่เราไม่เห็นอี่เยอะๆที่มีส่วนที่ทําให้เขาลำบากและทุกได้ก็อย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเลยเราอยู่กับเรื่องของตัวเราดีกว่า คุณสุขทุกอยู่ที่ใจครับทุกขังในตายรักเหมือนหรือต่างกับทุกในอะไราาสักสี่ไหมครับตอนเดียวกันี่ยตอนทุกข์ก็อยากให้ให้สิ่งที่ไม่เป็นอนิจักรให้เป็นนิจจังบางอยาเรียกว่าภาวะตาาัณหอยากให้รายกยึดเสร็จสุดนีเจริญอย่างเดียวแต่รายกยึดเสร็จสุดมันก็เป็นอนิจักรนิจริญก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาพอเวลามันเสื่อมก็เลยเกิดทาทุกข์ขึ้นมา ตัวเดียวกันรู้เความอยากพอไม่ได้รําใจอยากก็ถูกคุณเล็กครับจิตสุดท้ายก่อนตายถ้าเราคิดเรื่องบุญที่เราทําเราก็จะไปดีเราคิดเรื่องที่เราทํำบาปเราก็จะไปอบายใช่ไหมครับมันไม่ใช่เป็นเศษที่จะมาเคลื่อกัมตอนจิตสุดท้ายได้เพราะมันอยู่ที่ ผลลัพธ์ของมูลและบาตรที่เราทํามาว่ามันอันไหนมันมีมากน้อยกว่ากันมันเมือนกับตอนที่เราปิดบัญชีตอนสิ้นปีเราไม่ใช่มาตั้นเขียนบัญชีกันน้อยเองว่าอจะให้มันบวกนไม่ได้เพราะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายมันเป็นสิที่สะสมมาตลอดปีใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปทําบัญชีตอนสิ้นปีแล้เร่ดแต่จะเขียนบัญชีไหนก็เขียนกันไปทําไม่ได้ยัอไงปีนี้เอากาไรเท่าไหร่นีเอ ใส่เข้าไปรายรับท่นนี้รายจ่ายท่นนี้มันเขียนเองไม่ได้นะมันก็เวลาที่เราตายจิตสุดท้ายมันจะมาแต่งบัญชีเองไม่ได้เพราะบัญชีมันได้ถูกสรุปมาจากการสะสมบุญสะสมบาป ท, ที่เราทําำม้ตลอดทั้งปีทั้งชีวิตวิกงานยังค น, นเร า, าก็จะไปหนุนที่ว่าอ๋อถ้าจิตสุดท้ายเราชิดดีเราก็ไปดีเนี้ยทั้งปีทั้งชาติตลอดชีวิตทำบาปมันให้สนุกไปเลยไม่ดีกว่า แล้วพอตอนจิตสุดท้ายมัน น, นคิดว่าเราทําดีเราทําดีแค่นี้นเราจะไปดีได้มันไม่มีความดีสะสมในจิตเลยคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกมันไม่ใช่หรอกนะมันเข้าใจผิดกันจิตสุดท้ายเป็นเวลาที่เรามาสรุปสรุปผลของความดีและความเชื่อที่เราทําว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายดีมีกําลังมากกว่าฝ่ายดีได้จะเป็นตัวเดินจิตให้ไปสู่สุคติ ถ้าฝ่ายเชื่อฝ่ายบาปมีกําลังมากกว่ามีปริมาณมากกว่ามันก็จะเป็นฝ่ายที่จะเป็นกิตให้ไปสู่บาปนะ้วอีกสองฝ่ายที่ชักปเยาะกันเนี้ยใช่ไหมฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าก็จะเป็นเป็นฝ่ายฝ่ายของตนฝ่าย ไ, ไหนมีกําลังน้อยกว่าวก็ต้องถูกฝ่ายที่เขามีกาลังมากกว่าเป็นฝ่ายคุณแวฟเฟิลครับ ทำไมบางครั้งคิดว่าชีวิตและทุกสิ่งคือภาพลวงตาเพราะเวลาหลับไปไม่มีอะไรเลยพอตื่นมามีกิจกรรมเต็มไปหมดความคิดแบบนี้ผิดหรือไม่คะเกิดขึ้นจากอะไรคะมันก็เกิดจากความคิดของเราเราจะคิดอะไรก็ร้ยแปดก็ได้สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันตรงกับความจริงหรือไมท่ที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพลวงตารจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงแล้วเราไปหลงกับมันทาไม อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาดําเนิน ก, การต่อไปถ้าเราคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นภาพลงตาเช่นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นมันเป็นภาพลงตาเพราะมันเป็นเหมือนฟองน้ววําเหีือวันดีคจะมีมันก็แตกหายไปถ้าเราสามารถมองเห็นอย่างนี้ได้เราก็อาจจะไม่อยากจะไปไปวิ่งตะคุบเงาภาพลงตาเพราะได้อะไร ม, มาเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ไหมเป็นเหมือนฟองน้ํา ได้มาตอนเยื้เยื้องฟองน้ำก็แตกฟองก็หายไปถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งเป็นความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นภาพดวงตาสิ่งที่เราควรจะทําต่อไปก็คือหยุดหยุดไปหามันให้เหนื่อยไปกวะ่าแล้วต้องมาเศร้าสวกเสียใจเวลาทุกข้ามดวงตานะี่ยมันหายไปเนี่ยนะักปฏิบัติก็ปฏิบัติเนี่ยถ้าพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นธรรมทจริงมัน ก, ก, ก็ก็หมายความว่าทุกอย่างเป็นน่ะเป็นภาพดวงตาแล้ว ถ้าเราเข้าใจหลักคําว่ามีเกิไม่เที่ยงมีเกิดมีดับน้ำฟองน้ำมีเกิดแล้วก็มีแตกน้าตั้งอยู่ตั้วเดียวมันก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมืหอนกับฟองน้ำแต่ว่ามันแตช้าแตกเร็ว น, นั่นเนี่ยอนิจจังเนี่ยการเห็น น, นิจจังก็คือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพหน่วงตาเมื่อเห็นเป็นภาพหน่วงตารเราก็อยากไปอยาก อยาไปอยากได้มันอย่าไปอยากครอบครองมันพราะเราไม่สามารถครอบครองมันได้ไปตลอดมันเีเคล็ดลับมันก็จะหายไปพอมันหายไปมันไม่จะทําให้เราทุกข์พอเราไปหลงไปยึดไปจิกมันนะใชหมครับงั้ต่อไปนี้ถ้าเราคิดว่าทุกอย่างเป็นภาพลองตาต่อไปนี้เราก็อย่าไปยึดเอย่าไปจิกมันอย่าไปอยากได้มัเป็นสมบัติของเราเพราะมันเป็นสมบัติของเราได้ไม่น่างมันถึงมันก็จะต้องหางออกไป คุณอริสราครับการฟังเทศออนไลน์ถือว่าเป็นบุญแก่ตัวคนฟังด้วยไหมคะการฟังเทศก็คนฟังจะได้บุญใครใครจะได้บุญถ้าคนฟังมันี่ไม่ฟังก็ไม่ได้บุญเพราะมันคนฟังจะได้รับประโยชน์5ข้อด้วยกันเคยได้ยินได้ฟังทำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้น แจะกาจัดความสงสารต่างๆให้หมดไปได้จะทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาและทําให้จิตใจสงบความสงบนี่ก็คือคือวามสุใจความสงบใจถ้าเ ป, เป็นคนปฟังถึงจะได้บุญคนที่ไม่ฟังไม่ได้บุญหรอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ถามยัไ่ไงทําเทสออนไลน์เทวว่าเป็นบุญแคบๆฟังได้ไหมคือหมายความว่านั่งอยู่ที่บ้านแล้วฟังออนไลน์ได้บุญ น่าจะเหมือนกับที่ไปฟังธรรมเทศที่พระ อ, อาจารย์อยู่ไหมยเงี้ยพ อ, อเหมือนกันทำเรื่รอฟังวานนาเรื่องฟังสดในความที่ต่อหน้าที่สถานที่ที่มีการแสดงธรรมนี้ก็เหมือนกันเพราะเป็นเสียงเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันได้ผลเหมือนกั น, น, กนคุณศิลปปาครับตอนนี้ดิฉันอายุเจ็ดสิบเ็ดปีแล้วเหนื่อยทั้งกายทั้งใจทุกเหลือเกิน ต้องดูแลสามีเป็นพากินสันลูกชายที่ไม่ทำงานแต่เอาลูกภรรยามาให้เลี้ยงดูอีกสี่คนต้องจ่ายเงินทุกอย่างอยากจะบวชอยู่คนเดียวหนีทุกถ้าดิฉันทิ้งทุกคนก็บาดมันได้บาปหมดไปเลยเป็นการเป็นความฉลาดอยู่ดีๆเรามันจะหนักเรื่งก็ไปถึงไหนกัขนขณะนี้ครับคนจะเกรงใจคนที่มาเยี่ยเราเย ม, มากกว่ากลับจะมาให้เราไปเยี่ย่เขาอ ไอ้เขาเล่นไอ้เขาเล่นดูตัวเขาเองเลยเกิดอัตราเหยื่อปนเอาดาถุตอนเป็นเรื่องของตนตอนนี้เราต้องไปไปหาความสนงบไปไปดับความทุกข์จั๊กจั่งการในแบบความทุกข์ที่ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของเราที่มันไม่จับเป็นเพราะจะมันเป็นเรื่องของเราเนี่ยถ้าเป็นสามีนี่ก็ดับทิ้งเขาไม่ได้เพราะเขาก็เป็น เ, เมือนกับกคู่สัญญางเราว่าจะรักร ก, ร ก, กันจะ ด, นจดูลกันตัอรชวิตกานมือพ่อจบทุกงได้ยาาเป็หน้าที่ขเราในส่วนลูกที่ไม่มีหน้าที่เดียวไม่เลี้ยงเข า, เาละลูกเขาโต่้องลื อ, อ, อกเอาหนาไมาให้เลีองอีกเขาเลี้ของเขาได้คุณแต้มสีครับเค้ยอ่านเจอข้อวัดข้อหนึ่งถือเอาการนั่งอย่างเดียว ไม่นอนไม่แต่ตอนหลับใช่ไหมคะแล้วจะช่วยทําให้สติก้าวหน้าเร็วใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าใ น, นสัจฉิแต่ก็ไม่ได้ทําตลอดหมายถึงก็เรื่องช่วงบางเวลาบางวันเป็นบางทีวันท้ายางทีวันนี้ไม่ไม่นอนทั้งเนี่ยจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนก็เรื่องปากเดียดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชุดองคขวัญข้อหนึ่งสำหรับการช่วยผู้ปฏิบัติให้ ให้เล่นความเปียนให้มีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแต่จะปฏิบัติมากก็ต้องนอนน้อยหน่อยคุณประชาครับดื่มเครื่องดื่มผสมกัญชาจะเรียกว่าผิดสีลข้อห้าไหมครับกัญชาก็ถือว่าเป็นของมึนเมาเนี่ยนี่ถ้าเกว่าผิดศินข้อห้าเสพยาเมื่อยื่นชราที่เป็นของมึนเมาก็ทำให้ขาดสติไม่สามารถควบคุมมารมณ์ เวลาอารมไม่ดีะจะไปทำงานทุูไมได้คุณนัดครับถ้าเราอยากได้เนื้อหมูมาทำอาหารถ้าเราบอกเจ้าร้านถ้ามีก็เอามาให้ด้วยแบบนี้เราจะไปส่วนร่วมในการฆ่าด้วยไหมคะเราไม่ควรบอกเขาหรอเราควรจะไปที่ร้านเ้าดูว่าเขามีขายหรือเปล่าถ้ามีก็ซื้อถ้าไม่มก็ไม่ลงซื้อถ้าเราพูดที่มันเป็นการเมน ก, นกับว่าอาจารสัก็แล้ว แล้วพวกนี้เขารูว่าเราอยากจะกินเนื้อหมูวันนี้พวก่นี้เขาก็เ อ, อาอาหารให้หมูมาให้เราแต่ถ้าเราไม่พูดอะไรเราไปเห็นก็ไปซื้อของที่เขาไปขายอยนี้ก็ไม่ตามก็ไม่มีสว่วนร่วมในการที่มีวนรมในการฆ่าแต่ถ้าไปพูดตรงๆว่าพรุ่นี้จะจัด ก, การเลี้ยงทำข้าวหมูดันอาจจะได้หมูสักสิบกิรอางเงี้ยถ้าพูดอ่างเนี้ยมันเป็นการมันก็เป็นาไปบอ ก, อกรัฐสภ บุญตามแสงธรรมครับและมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะสูงสุดไม่มีสิ่งอื่นเปนสาณะเมื่อสวดมนต์ภาวนาเสร็จจะระลึกแผ่สนบุญใจมักจะระลึกถึงเทพและผู้มีพระคุณเช่นในหลวงรอเ ก, กาหลวงทั้งเทพทังฮินดูและจีนเป็นต้นและแผ่แบบรวมๆทัวท่วๆแบบนีน้ได้ไหมครับก็เราไปบุญคุณเช่นเดียปล่ามันต้องเป็บนยมเชนได้การสวดนต์เนี่ย มันอะไรยไม่เกิดผลมักไม็ได้มันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราทําใจให้เราสงบมีความสุขงั้นการละการจะแผ่อันนี้คุณจะหมายถึงแผ่เมตตามากกว่าการแผ่เมตตาก็ไม่ได้แผ่เหมืออนันเพราะการจะแผนเมตตาไม่ต้องแผต่ตอนที่มีผู้รับเราต้องเจริญคนเจริญคนแล้วก็ให้ความเมตตาเราเช่นให้เขามีความสุขหรนอถ้าเกิดเขาทำอะไร ถ้าไม่เราโรดนเราก็ต้องให้อภัยถึงจะเรียกว่าเป็นการให้ความเมตาหรือไรไ่เนกาแต่การแล้วเลือกอยู่ในใจว่าขอให้ค น, นะนนั้นคนนี้ความสุขในความเจริะมันไม่ได้เป็นการกระทำอะไรเลยเป็นแต่ความคิดของนายคุณขวัญวันนาครับ หากมีผู้มีพระคุณด่าว่าสิ่งที่ผู้คนเคารพศรัทธาบาปไหมคะแล้วเราพยายามเตือนและห้ามทําได้ไหมคะคนหนึ่งก็จะพูดจะทํำอะไรมันก็ไม่ออกเขาจะบาปไม่บาปนันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเป็นมันจะต้องดูว่าจัง ก, การีตอีไปการไปรบไปด่าว่าสิ่งที่ค น, คนเคารพศรัทธา ก็เป็นเป็นอะไรเป็นการปลามาเการไม่ให้ขับข้อลบไม่ให้ขับเชื่อไม่รับถือเกันมันก็ยังไม่ถือเป็นการกระทำแต่ก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่ควนกระทำขาดความเมตตาทําให้ผู้อื่กล้าจึงทำสิ่ไม่สบายใจคุณประจักษ์พงศ์ครับ ขออนุญาตถามพระอาจารย์สาเหตุอะไรที่เป็นจุดที่ตัดสินใจบวชลาจากเพศครว่าท์ครับเพราะเระอาจารได้เรื่องปฏิบตัติได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมากนในวิธีที่เราปฏิบัติได้มากขึ้นก็ต้องบวชถ้าบวชแล้วก็จะมีเวลาปฏิบัติได้แบบจริงเพราะไม่ยุติธรรมจะไม่ต้องไปทํางานทําการนี้ปากเลี้ยงทองเพราะว่ามีผู้สำนักเสมอ กัมากาเเี่นเสียเวลาแค่วันละชั่วโมงปฏิ บ, บัติในการยืนชี่ถ้าไม่รวดก็ต้องทำงานวนละแปดชั่วโมงเราเดินทางไปกลับสองชั่วโมงกรสุดชั่วโมงชั่วโมงในเวลาที่จะมีปฏิบตัติงานเลยมีนอนกลับมาบ้าน ก, ก็นเหนื่อยแล้วอากนอนนอนอีกแปดชั่วโมงงั้นก็เลยหาเวล า, าปฏิบัติม่นกอได้ยังมีเวลาปฏิบตัติแล้วได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติ มันจะอยากจะปฏิบัติหให้มากขึ้นก็ต้องตัดสินใจดูทั้งที่ตอบโจทย์ทุกมนอยากจะบดแต่มัน ม, มันไม่เป็นทำเรื่องก็เลยต้องตัดสินใจคุณชิสานุพงศ์ครับโดนแนะให้ไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางเทวดาก่อนปฏิบัติธรรมจะทำให้สภาพแวดล้อมปลอดโปร่งปฏิบัติง่ายขึ้นนี่จริงไหมครับอาจารย์ครับไม่จริงหรอกไม่ต้องไหว้ใครนั่นเลยไหว้ฝูกสติเปอย่างเดียว โมเดลนี้เป็นตัวที่จะทำมันทุก อ, อย่างปลอดโปร่งทำให้ปฏิบัติงานขึ้นคุณศรีกากีครับระหว่างคนที่เคยปฏิบัติภาวนาแต่ว่างเว้นไปนานกับคนที่ไม่ภาวนาแต่ชอบทําบุญทําทานเมื่อถึงเวลาที่กําลังจะสิ้นชีวิตเราไปบอกให้เขานึกถึงพุทโธหรือนึกถึงบุญที่เขาเคยทําเขาจะได้ไปไม่ต้อไปบอกเขาแบบ เขาทำอะไรเขาก็จะได้ไปเราอยากจะนมันไม่ต้องไปนึกถึงมันไม่ไไม่ต้องไปนึกถึงบุืที่เคยทำมาไม่ได้มันจะมันมันจะมันจะดูแลจิตใจของเราเองในตัวของมันถ้าไม่มีบวงมันก็ไม่ไม่ควจะมันตายมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มามาดูแลเราไม่ต้องทําบินเยอะทํางินไปเรื่อยเวลาตายดวงไม่จะดูแลผู้จิตใจของเราตนที่เราตาย คุณขวัญัรรณาครับเด็กที่บ้านเกลียดและด่าว่าชาติตัวเองและไม่ศรัทธาสถาบันนี้บาปมากไหมคะมันก็เป็นความเชื่อของเขาเป็นความรู้สึกนิพิจของเขาก็เป็นแค่ว่าบาปมันก็ไม่เขาก็ไม่ได้่าใเขาก็ไม่ได้ดรัดซับเขาก็ไม่ได้ไปพูดคุยอะไรนี้เขาก็ไม่ได้โกหกหรอกมีคันมันก็บาปมันก็ไม่ถือว่าบาปแต่เป็น เป็นพฤติการมที่อาจจะเป็นโทษกับเขาในอนะครตเพราะถ้าเขาเบื่อใช่ตัวประเทศที่เขาอยู่ก็จะต้องหนีไปอยู่ประเทศอืน่นก็ได้คุณประชาครับเราควรจะแบ่งเวลาเพื่อศึกษาธร ร, รมะกับปฏิบัติธรรมแต่ละวันกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับก็อยู่ที่เราเราอยากจะทํามากทาน้อยในเวลานานในเวลาน้อยก็แบ่งตามความเหมาะสมความต้องการ ถ้าเราต้องการมากเราก็ต้องแบ่งแบ่งเวลาให้มากถ้าเราต้องการน้อยต้แบ่งเวลาน้อยแล้วผลนั่นก็จะตัดถ้าศึกษาปฏิบัติมากมันก็จะได้ผลมากศึกษาปฏิบัติน้อยมันก็ได้ผงน้อยคุณนิดครับหนูอายุ27ปีรู้สึกชีวิตหลงทางมากๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตจิตใจเหมือนเป็นซึมเศร้าเลยค่ะหนูจะทํายังไงให้หลุดจากความคิดแย่ๆแบบนี้ดีคะ เราทําตามคําสอนของพระเจ้าให้เรามาเพิดทําบุญทาทานนักษาศีลแล้วก็ภาวนาขันติการสมาธิแล้วชีวิตเราจะไม่ต้องมันจะพาเราไปสู่ความสงบไปสู่ความเยนความสบายความปรจจาศจากความทุกข์น่าคุณุข็มจิลาครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความหมายของอุเบกขาที่เห็นภาพชัดๆค่ะ คือไม่มีปฏิกิริยาไม่ว่าจะรักหรชังกลัวหรือหนุเวลาเจอกับรายการอะไรต่างๆไม่ว่าจะไปรดเกียงกินรดผดกะพะก็จะไม่รักไม่ชังไม่หวงไม่เฉยเคุณวีนาครับถ้าเราทราบว่าคนอื่นกําลังทําบาปเพื่อตัวเราโดยไม่ตั้งใจถ้าเราไม่เตือนสติคนนั้นหรือชี้แนะว่าการกระทํานั้นไม่ดี ถือว่าเราเห็นแก่ตัวไหมคะหรือเราจะบาปไหมคะไม่หรองมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราที่เขาไปคอยคอยบอกเขานอกแต่ว่าเขาเขาเป็นลูกเราเขเป็นหน้าที่ภายใต้การปกครองแล้วเราไม่หน้าที่ต้องคอยตัดเงินถ้วบังเราก็ต้องทำแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในในในในการดูแลของเราเราไม่มีหน้าที่จะต้องออกเงินดเชยไว่าเกาตัดเงินเขาเราก็ไม่ต้องัำ นอกจากว่าเขาขอร้องมาว่าถ้า เ, าเห็นว่าเขาทำอะไรไม่ดีชื่อบอกเขาด้วยอย่างนี้เราก็ทำได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตนนไม่เห็นแก่ตนเรื่องของขัเรื่องของความหาเหมาะสมเรื่องของหน้าที่คุณนาวาครับพระอาจารย์ครับเมื่อก่อนนี้เวลาได้ยินเสียงเด็กเจียวจ้าวิ่งไปมาในตัวอาคารจะหงุดหงิดมากและนึกเพ่งโทษพ่อแม่ที่ไม่ยอมตักเตือนเคยหาวิธีทำใจหลายวิธีแต่ไม่เป็นผล จนได้เจอคำสอนของอาจารย์เรื่องมองเขาให้เป็นปรากฏการธรรมชาติปัญหายุติความอยากในใจเราเองหนูฝึกคิดตามบ่อยๆแล้วลองไปทดสอบตัวเองหนูภูมิใจมากค่ะว่าอาจารย์ที่ใจยังสบายได้ไม่เพ่งโทษใครไม่หงุดหงิดลำคาญแบบเมื่อก่อนแบบนี้เป็นผลจากปัญญาที่ได้จากการฟังธรรมะใช่ไหมคะแล้วหนูจะต้องฝึกอะไรเสริมเพิ่มเติมต่อไปคะก็พยายามให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรามาสัมผัสรับรู้หรือแม้แต่ร่างกายของเราของคนที่เราร่างของคนที่เรามาเขาจะเป็นจะตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเปิดการทางธรรมชาติใจเราจะต้องสบายไม่ไม่ไปทุกข์กับการเกิดการดับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้หุ่แว่นครับผู้รู้กับสติ เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่เราไปยึดว่าเป็นเราผู้รู้กับจิตเป็นสิ่งเดียวกันไหมคะถึงจะตอบเรื่องคำถามนี้อ่ก็ผู้รู้ก็คือเป็นเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของจิตจิตมีความสามารถรู้แล้วก็มีสติที่จะคอยคอยกำหนดให้รู้เรื่องอะไรสติเป็นตัวกำหนดให้รู้ให้ผู้รู้รู้เรื่องอะไ ไม่มีตัวตนไม่ในเราไม่เป็นของเราคุณผู้หญิงครับชอบฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราต้องอุทิศบุญให้เขาและเขาจะได้รับไหมคะก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นเพียงแต่ความคิดของเราที่เราคิดไปแต่ถ้าเขาเป็นเข้ามาหาเราในฝันล้วเราป่วยกับเขาได้แล้วเราเชื่อว่าเป็นเป็นดวงเป็นญาต่ตายไปแล้ว มาขอส่วนบุญแล้วก็ทําบุญที่ให้เขาไปนะเขาก็จะ ไ, ได้แล้วแต่ถ้าเราเป็นแบบคิดไปเองเราทําไปเขาอาจจะไม่ได้นะใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้มาขอเราไม่ได้มารอรับส่วนบุญอาจารตอนนี้คำถามหมดเลยครับใ้ตอบได้ครบเลยครับอาจารย์ยังนะอาจารย์นื่นะอาจารย์ไม่เหนื่อยเลยวั <laughs> นนี้ฉันนอกครับ ช่วงเที่ยงเป็นภาษาอังกฤแล้วช่วงบ่ายสองโมงก็เป็นภาษาไทยเท่าช่วโมงหนึ่งแล้วก็การตอบคำถามประมาณยี่สิบนาทีแล้วมาช่วงในช่วงสองทุงถงถง่ถึงสามทุ่มาม่มครึ่งนี่เหลืประมาณสิบนาทีก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่เห็เหลื่อยอะไรพูดไปเท่านั้นเองไม่ได้บ่นนะจะเล่าให้ฟัง ยังทําทำได้ก็ทําไปเพราะว่ามันมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้อย่างที่ผู้หญิงถ้าที่ที่กล่าวมาว่าอทำมาไปใช้แล้วได้ผลมันก็ทําให้เรามีกมํำลังใจแ ม, ม้จะเหนื่อยมากวันธรรมดาก็หายเหนื่อยหนะอยยัน ย, นยมีเรื่องมีผนจะการปฏิบัติเจ้ามาเล่าให้ฟัาบ้างหนึ่งว่าที่ได้สอนได้บ อ, อ, อ, อกนี้ไม่ได้เป็นของโมคะ มันเลยเป็นขอที่ไร้ประโยชน์เอาไปใช้ช่วยทํากําจัดความทุกข์ความเหงื่อกรีดแรงมันทาทนใจได้มันก็จะทําทให้คนสอนด้วมีกํำลังศีกกำลังใจที่อยากจะสอนต่อบไปไ ด, ได้ผลแน่นอนเลยครับพระอาจารย์ครับโดยโดยตัว โ, โดยผมเองก็เวลาที่มีสติก็เห็นชัดเลยครับพระอาจารย์ว่าความทุกข์มันมันไม่อยู่กับสติอ่ะครับ แต่พอขาดสติปับเนี่ย ก, <ๆ>ก็ก็จะเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมาได้ชัดเจนครับเพราะเราไม่มีชั้นเตกิเนั้นก็ทํางานความอยากความโลภมันก็ทํางานครับแล้วองการทํางานของความโลภความอยากความทุกข์ต่างๆนั่นนันนันตามมาครับเห็นได้ชัดเลยครับอาจารย์ <laughs> มีคนถามมาเพิ่มนิดนึงไหมครับ คุณขวัญบรรณาครับเบ อ, อกว่าการทําความดีฝึกสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆสามารถทําให้วิบากกรรมหนักเป็นเบาได้ไหมคะไม่ได้หรอกวิบากกรรมเคยทำหนักมากหนักน้อนก็เป็นเข้าเดิอนเพียงแต่ว่าเราอาจจะสร้างวิบากกรรมที่ดีมาปั้นมันได้คือเหมือนกับที่เราพูดเปรียบเทียบเรื่องรายรับรายจ่ายคือว่าเราเราเราใช้รายจ่ายเยอะ เวลจ่ายเงินมากกว่ารายรับเนี่ยแต่ถ้าเราเราปรับเพิ่มรายรับให้เงินเงินมากขึ้นมากกว่ารายจ่ายเนี่ยมันผลไม่ว่ามันก็จะไม่ไม่ติดดอก่างเราทําบัญชีเราทําบัญชีสิ้นปีเนีถ้าเรารู้ว่าตอนนี้รายจ่ายแล้วมากกว่ารายรับเราก็รีบเร่งหารายรับหารายหน้าเพิ่มขึ้นให้มากแล้วถ้ า, ว า, เ, าเวลาปิดบัญชีทําให้บัญชีของเราไม่ติดลบ เวลาตายไปลองคาดบัญชีผ่านดีกำลมากกว่าบัญชีบาปเราก็ยังไม่ต้องไปใช้ใช้ผลบาปไปรับผลบาปเพราะผลบุญมันมีกําลังมากกว่าผลบุญมันก็จะทําให้เราไปรับผลบุญก่อนผลบาปนี้ก็เหมือนรอรงยาวไว้ก่อนยังไม่ต้องไปติดติดผู้ผปิดตารอจนกว่าเมื่อไรที่ผลบุญมัน น, อน้อยกว่าผลบาปตอนที่เราตายตอนจิตสุดท้าย เพราะนั้ น, นหนักผลบามันก็จะเป็นตัวที่จะรากจุนหนไปรับโทษไปรับผลบาปต่อไปงั้นพยายามทําความดีไปดีน่เลยแม้ว่าเราจะเคยทำํำมิบากทํามันหนักมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ทากรร บ, บุดูตัวอย่างพระองค์คุณพิมาน ก, กรแล้วกันคุิมานี่ศุกอาจารย์บอกว่าเจ้าอยากจะมาดูธรรมขั้นสูงนี่ต้องไปฆ่าคนหนึ่พงพันคนนะคุณพิมานก็ไปฆ่า ได้999คนนะเหน้ออีกคนเดียววันที่พันนั่นคือพระเจ้ามันเจ้าพระเจ้าพยายามได้พันได้ฆ่าได้พันได้เท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันเพราะเจ้าท่านใช้กิจินยาสามารถทาให้หมาบว่าพระพุทธเจ้าวิ่งนีแล้วก็องคุลิมาวิ่งไล่ไม่ทันกรทั่งองคุลิมาไล่เจ้าท่านเลยอะไรตะกนว่าท่านยุเถิข้าพเจ้าตามท่านไม่ทันนั่นแะ พรเจ้าหันกลาบมาบอกเราหยุด้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดพระจ้ให้ป ร, าาริศนาทำคำของพูทธิมารนะของพุทธิมารก็งงไงท่านหยุดได้งมวนน่าผมไม่ผมไม่หยุเต็มที่แล้วยังไม่ฟางท่านในทางพรเจ้าบอกเราเราหยุดจากความโลกความโกรคําแบบนี้เขาให้พูดองนี้ก็เลยาว่าออเราต้องหยุดความโลภความกบคํามหลงพอถึงจะบรุธรทา่านสร็ได้ก็เลยเปลี่ยน เกินความเชื่อจากการที่จะฆ่าคนเพื่อที่จะให้ได้บรรลุธรรมเป็นการมาฆ่ากิเลสฆ่าผิดคนฆ่าเกย์ะอเราฝึกปฏิบัติฆ่าความโลภความกรดดันไม่นานก็บรรลุกันได้แล้วแม้จะทําบาปทําการมาเทา่าไหร่การทำบาปมันตามไม่ทันเพราะเวลาท่านตายท่านก็ไปนิพพานท่านไม่กลับมาเกิด ก็ไมกลับมาเกิดบา ก, กันมที่ฆ่าที่เกิดจากการ 5, 9, 9, 9, ค่าคน999คนก็ไม่สามารถส่งได้อาจารย์มีคนอขอให้พระอาจารย์พาดขันแข็งแรงเต็มเลยนะครับพระอาจารย์ครับแล้วก็เริ่มมีคนแจ้งเรื่องการภาวนาแล้วก็อยากกับอาจารย์อย่างคุณเจสดาพรบอกว่าตั้งแต่ได้ฟังปฏิบัติตามคําสอนพระอาจารย์ในการหยุดความอยาก มีความสบายใจมากขึ้นค่ะเปลี่ยนลูกสาวให้ดีขึ้นได้ฟังพระอาจารย์แล้วอยากละออกอปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นค่ะอ่าดีมากดีที่ได้เห็นผลประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมีผลมีดอกที่วิจิตใจของเราแคนใกล้ตัวเราด้วยเพราเราทําตัวเราเป็นตัวอย่าดูดูเขาก็จะมองดูที่ตัวเราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแบบเป็นฉบับถ้าเราทําอะไรอย่างไรเขาก็อยากจะทําตามเรา การสอนที่ถูกที่ดีที่ได้ผลดีลุคคือการกระทําตัวเราเองไม่ใช่สอนด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวการสอนด้วยวาจาแล้วไม่ทําตามที่เราสอนนี่มันก็เป็นเหมือนแม่ปูสอนลูกปูแม่ปูอยากได้ลูกเดินตรงแต่เวลาหน้าเดินหน้าก็เฉยไปเฉยมารูกปูเห็นหน้าเดินเฉยไปก็ ล, ลืมคําสอนของหน้าไปเพราะเห็นการกระทำํำมันมีน้าหนักมากกว่า นี่คุณกันยาครับบอกว่าน้องกราบสาธุพระอาจารย์ค่ะธรรมะที่ได้ฟังรับรู้ทุกช่องทางได้มีผลต่อการดําเนินชีวิตให้มีความสุขสงบได้เร็วขึ้นอยู่กับความทุกข์อย่างใจไม่ทุกข์และมีความรักเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้นค่ะมีผลเกินไปมากตอนนชื่นใจดังๆเขาเล่าคำยอเทัาหน่ก็ดีนะและไม่ได้ยอแล้วนะเป็นการเป็นการเป็นการเล่าให้ฟังเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติครับ อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำสอยของเราเป็นคำสั่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคือแต่ยนท่านะเป็นอาเป็นเหมือนกับบุญไปชนีเอาคาสั่งของอพระพุทธเจ้ามาให้กับผู้รับท่านั้นจริงก็ผู้รับรับแป็นหน้าจะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ดได้หรือไม่ถ้าได้ก็ผู้ส่งผู้ส่งส่งข้อความเป็นผู้แมสเซนเจอร์ก็มีความสุด้วยที่ได้ทักมันทำประโยชน์ได้เชื่อต่อพระพุทธเจ้ากับพวกเราพวกครับ เราทำมาของจ้ามาให้ก็ทให้เรารู้สึกว่าทำเอีคิดค่าไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้กินข้าวชาวบ้านปเปล่าๆในใช้นี่ในใช้นี่ให้กับชาวบ้านด้วยครับวันนี้ข อ, อกาสเอาผลของทุกฝิดเรียนพระอาจารย์นะครับคุณบุญนีครับทำให้เกิดปัญญาในทางธรรมมากขึ้นครับ คุ ณ, คณ ก, กุตสุจันต์บอกว่าขอยือนยันผลดีที่ได้จากการฟังฟังพระอาจารย์ค่ะได้แก่มีสติไม่โกรธง่ายให้อภัยคนได้ง่ายมากขึ้นครับมีมาเอาไปเรื่อๆยๆ อ, อ, อาจารย์ในช่วงนี้ ว, ว่าไม่มีคำถามก็เลยอานารจะได้เปลี่ยนรชาน่นมาถึงฟังก็อาจจะได้กำลังใจด้วยว่า เ, าเขาได้ไประโยชน์ คุณอับสอนบอกว่าฟังเทศและอิ่มใจสุขใจจิตจะไม่ค่อยส่งออกนอกสาธุเจ้ า, า่ะคุณพีสบอกว่าน้อมจิตกราบอนอมโมทนาในคุณความดีของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าขาขอให้ป้อาจารย์มีธาตขันสมบูรณ์แข็งแรงและขออนุ้มทนาบุญคุณงามความดีของผมด้วยครับนี้ผมก็ได้บุญอยู่ทุกอาทิตย์นยะครับอาจารย์ช่วยกันช่วยกัน <laughs> เต็มเลยครับมีสาธุมาเต็มเลยครับจริงๆมีคำถามอีกนิดหน่อยครับอาจารย์ตแต่คุณครับนี้น่าจะบอกบอกไอไ อ, ไอการเทศที่หกสิบสองในศาชนาธรับโอ้ยมีคนติดตามกันเนยอะนะถ้าใครยังไม่ได้ดูลงไปดูที่ทางเราจะมีคนดูเยอะสามแสนกว่าแล้วนะครับครับอาจารย์ตอนนี้มี วิชาชนาธิ์ทครั้งที่หกสบสองเรื่องปีสุดท้ายของชีวิตครับเมื่อสี่เดือนก่อนเนี่ยมีคนดูตอนนี้สามแสนหนึ่งหมื่นคนครับอาจารย์แล้วแล้วมีอีกสองคลิปที่กําลังไล่ขึ้นมาในรับอาจารย์ตอนที่ห้าสิบเก้าจิตธาตุรู้คืออะไรเนะครับตอนนี้ก็อยู่ๆก็มีคนดูไปหนึ่งจุดหนึ่งแสนวิวแล้วรครับอาจารย์ครับแล้วตอนที่จะขึ้นมาแล้วมันอยู่ระดับเท่าไหร่ตอนที่จะขึ้นมาระดับแสนตอนขึ้นมาแบบพุพ่งท่าเลยใช่ไหม ใช่ครับอาจารย์เวลาขึ้นมานี่ขึ้นพดพาดครับตอนแรกก็อยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นประมาณหมื่นนะครับแล้วพอขึ้นมาก็แบบขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเป็นแสนเลยใช่ครับมีอีกตอนหนึ่งครับอาจารย์ครับตอนที่อ่ันนี้ยังไม่ได้บอกตอนเท่าไหร่เลยครับบอกจิตสติความทิดคืออะไรอยู่ๆเนี่ยก็จากจากประมาณหมื่นกว่าๆตอนนี้หกหมื่นครับอาจารย์ครับ กรพุ่งอ่งนี้เลยครับอาจารย์ครับโอเคหนึ่ก็แปอาจจะมีคนแชร์มากอาจจะมีคนที่มีคนติดตามมากควแชร์คนติดตา ม, มาก็ลยไปดูกันมากตาั้อตาไปดูเพความสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณสุภาพร์บอกว่าได้ฟังคําสอนของอาจารย์ปล่อยวางฝึกนั่งสมาธิตามให้มีความสุขใจ ย, ยิ่งขึ้นค่ะทําให้อยากฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆค่ะ okay. 3ทุ่ครึ่งพอดีครับรา อ, อ, นน อ, อาจารย์ Facebook, ค, ครั บ, YouTube, นนรบวันนี้มีเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนฟังธรรมอยู่ใน f ฟ c e ุ๊ o ห้าร้อยเก้าสิบแปดคนครับใน y o u ู u หกร้อยเก้าสิบเจ็ดคนในครับห้าสิบเก้าคนวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมอยู่ด้วยกันหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่คนนะครับอาจารย์ครับีวันนี้ตานบหลายห้าเก้าร้อยกว่าเกือบพันครับกามีประโยชน์ คามเป็นการแสดงทางออนไลน์มันเข้าถึงคนได้มากก่ส ะ, ะดวกคนคนฟังก็สะดวกคนแสดงก็สะดวกไม่เหมือนสมายก่อนไม่ต้องเดินทางมารวมมาร่วมกันถ้าคนเยอะมาเป็นพันคนนี่ต้องปวดยากลำบากปวดหัวนะที่จอดกันอะไรกันั้นก็เรื่องเทคโนโลยีบางอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ได้นะถ้ารู้จักจใช้มันได้เป็นประโยชน์ ถ้าไม่รู้จักใช้มันก็ จ, จะใช้มันเป็นโทษสร้างความไม่ไวยใจให้กับผู้ใช้ก็ได้และผู้ใช้ต้องฉลาดโอเคนะครับหมดนะชนะครับอาจารย์บน้ไหนว่าไหนนะนไ่ชกิเลสถ้าไม่ชนะกิเลสในใจตรงถ้าแมนั่งกายที่กายกขาต่าินดะีด้วยนะเรื่องของกายไม่ต้องไปกังวล คำวาแต่เรื่องของกิเลสที่อยู่ในใจนะครับถ้าชนะ ก, กิเลสใจอวัตเย็นใจอวัจะสนิทใจของเราจ ะ, ม, ม, จาจะมีคามสุขไม่ว่าร่างกายเราจะพิการแล้วไม่พิการก็ไม่เป็นปนัญหาโอเคแล้วสักคิดว่าพอสมควแต่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินใน้ฟังไปพิจิพจารณาไปปฏิบัติเพือความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ สาธุขขอลนาะคุณหมอแนละท่านสูชมพุกค่าไปถึงทะนี้ทุกสิ่งที่อย่างเป็นไปตามปกติสักคงจะได้วพลกตะโยชนในอาทินหน้ า, <Okay. S 2> าเวลาเย็นขอเจริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ